อาจารย์ครับกล่าวนามสกาลครับผมอจมาจารย์ทำอาจารย์ตรเวลาเอ๊ะครับอาจารย์ครับตอนนี้มีคนฟังมารอพระอาจารย์หกรอยี่สิบหกคนแล้วครับจากหาช่องทางครับอาจารย์ครับอ า, าจารย์<ำ>ครับผมกลาวเรียนถามคําถามแรกเช่นเคยกั็นคาถามของผมเองที่ตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้นะครับอาจารย์ก็ว่าเป็นเป้าหมายของการฝึกปฏิบัติเลยนะครับแต่ว่าก็ ดูถามง่ายแต่ทายากจังเลยครับอาจารย์ก็ <c oughs> คือว่าฝ <c oughs> ุดอย่างไรครับให้จิตรวมได้เร็วครับอาจารย์ครับเหตุที่จะทําให้จิตรวมก็คือสติ เ, เองงั้นถ้าต้องการให้จิตรวมอย่างรวดเร็วในสติต้องมีกําลังสูงกําลังมากงั้นต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆแล้วสติเนี่ยจะทําให้จิตรวมเข้าสูาส่ความสงบได้อย่างง่ายได้และรวดเร็ว สเตนี้เปรียเหมือนกับเบรกลดยนต์ถ้าเราต้องการที่จะหยุดรถยนต์อย่างรวดเร็วนี้เรามักจะใช้ดิสเบรกกันใช้เบรกธรรมดามันจะสู้ดิสเบรกไม่ได้นะครับเชนใดสเตนี้ก็เป็นเหมือนเบรกของใจนี่เองที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสเตนนี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าธรรมทั้งปวง เกาะขาดสติแล้วทำทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้สตินี้สองเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้าช้างที่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในปา่าได้หมดไม่ว่าจะเป็นสิงโตเป็นเสือซึ่งอาจจะมีความร้ายกาจกว่าช้างก็ตามแต่รอยเท้าช้างนี้ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสติถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นธรรมที่สุดยอด แต่ก็เป็นธรรมที่จําเป็นที่จะต้องมีถึงจะทําให้ทําที่ที่สูงกว่าดีกว่าคือสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้นั่นเองดังนั้นยังต้องพยายามหมเจริญสติให้มากๆการเจริญสตินี้ก็อาจจะแบ่งเป็นสองลักษณะเจริญสติแบบมืออาชีพกับเจริญสติแบบมือสมัครเล่นเหมือนกับกีฬานี้ ก็มีกีฬาสมัครเล่นกับกีฬาอาชีพเช่นตอนนี้ก็มีแข่งขันโอลิมปิกใครที่ต้องการชริงเหรียญทองโอลิมปิกนี่ก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นนักกีฬาอาชีพคือจะไม่ทําอาชีพอย่างอนจะ เ, เวลาทุ่มเทให้กับการฝึกกีฬาของตนเพียงอย่างเดียวอย่างเต็มที่ถ้าไปทํางานอย่างอื่นด้วยแล้วมาฝึกกีฬาช่วงวันหยุด สาวะที่นี้มันเวลาจะไม่พอจะไม่สามารถเข้าไปผ่านรอบคันเลือกได้เพื่อที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองได้ฉันใดการเจริญสตินี่ก็แบ่งเป็นสองพวกด้วยกันพวกพวกมือสมัครนิ่นก็คือพวกคารวาะญาติโยนเทว่าเป็นพวบมือสมัครเล่นพ็ยังไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ทุกวั น, ท, วนทุกเวลา เรต้องแบ่งเวลาไปทํางานทําการไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นต้องรอเวลาที่ว่างจากภารกิจการงานงต่างๆถึงจะมาสามารถเจริญสติได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ที่ต้องการที่จะเป็นมืออาชีพนี้ก็ต้องเป็นนัก บ, บวชทั้งหลายนี้เองเป็นพระเป็นแม่ชีเขาไม่มีอาชีพอย่างอื่นพระแม่ชีนี้มีอาชีพ ฝึกสติท่านเจริญสติเท่ดงั้นผู้ที่จะได้ความสงบเจิตโดมได้อย่างง่ายดายและรวนแร็วส่วนใหญ่นอกจากเกิดกับพวกเป็นที่เป็นพวกมืออาชี่คือพวกพระพวกแม่ชีเ น, นี่ยอันนี้ต้องอธิบายลองให้เข้าใจจะได้รู้ภาพว่าเป็นอย่างไรเพราะบางทีเราพูดเรื่องมืออาชีพให้กับมือสมัครเล่นข้าบอกโอ้ยทําไม่ได้หรอกอย่างนี้ ใช่ทำไม่ได้แต่มือสมัครเล่นก็ทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่ว่างจากภารกิจการงานเป็นวันหยุดแทนที่จาเวลาไปเที่ยวกันนอเวลาไปเป็นมือมืออาชีพช่วข่าวไปอยู่วัดสักวันสองวันไม่ทำอะไรเลยนอกจากฝึกสติจลสติดังนั้นก็อาจจะมีมีโอกาสได้ได้ริมนดอะไรบ้าง เล็กน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ตามควรจะเข้าใจนะครับครับกล่าวขอบพระคุณครับอาจารย์ครับก็ต้องเป็นมืออาชีพให้ได้ถ้าจะรวมเร็วๆจะได้รับการตรวจใช่ครับผมอย่างนั้นผมขอกล่าวเรียนถามจากเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับอาจารย์ครับจากคุณป้อมครับคิดจะฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้ฆ่าถือว่าผิดสีห้าหรือยังคะยังไม่ผิดเนาะเพราะการจะผิดสีห้าได้นี้ต้อง เกิดขึ้นด้วย3ประการด้วยกันคือหนึ่งใจต้องคิดก่อนแล้วก็มีการกระทามีการฆ่าแล้วก็เกิดความตายของผู้ที่ต้องที่ถูกฆ่าอันนี้ทึงจะ้ทำว่าเป็นเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งถ้าคิดแล้วไม่ทำก็ยังไม่ผิดศีลถ้าคิดแล้วทำแต่ฆ่าเขาไม่ตายก็ยังไม่ผิดศีลว่าเขาไม่อยู่บ้านเรา จะไปฆ่าของที่บ้านแล้วเขาไม่อยู่บ้าน<笑><笑>ก็ไม่ได้ฆ่าเขาเอย่างนี้ดีไปคำถามจากคุณวีนาครับอาจารย์ครับหนูกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิยังไงให้จิตมาถึงจุดที่สามารถคิดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือต้องนั่งกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาภาวนาเจ้าคะคือการนั่งสมาธินี่ไม่ได้นั่งเพื่อให้ถึงจุดที่ จะคิดเรื่องอ น, นิจจทุทขังอนัตตาเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดให้จิตรวมเป็นฌานขึ้นมาเป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นจิตที่มีความสุขมีความอิ่มในตัวของมันหลังจากที่เราได้จิตตัวนี้แล้วเวลาออกจากสมาธิเราถึงมาคิดในขณะที่เราทำอะไรต่างๆได้ เดินจงกรมเราก็คิดอา น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเนี่ยคิดถึงร่างกายเราว่า ร, ร่างกายเราอา น, นิจจังไม่เทีย่ยงไม่ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายได้ทุกเวลาอันนี้ก็เรียกว่าอา น, นิจจังไม่เทีย่ยงเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาคือธรรมชาติของร่างกายอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สามารถควบคุมบังคับเข า, เขา ไม่ให้ตายได้เขาเป็นภาวะทางธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเกิดและทำให้เขาดับไปเราผู้เป็นจิตมาครอบครองร่างกายนี้เพียงแต่อาศัยใช้เขาไปจนกว่าเขาจะหมดสภาพทาั้นนี้แต่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังของเขาได้ จะทำให้เขาเป็นนิจจงให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงให้เขาอยู่ไปตลอดไม่ได้นี่คือการพิจารณาอ น, นิจจ์อนัตตาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้เป็นนิจจำหรือให้ร่างกายนี้เป็นของเราให้อยู่ในการควบคุมบังคับของเรา เมื่อเรารู้ด้วยสภาพความเป็นจริงว่าเป็นไปไม่ได้เราจะได้หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตายเมื่อเราไม่มีความอยากเหรานี้อยู่ในใจความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิดตานนี้ใจของเราทุกกันเพราะเราอยากควบคุมบังคับร่างกายให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ไม่ตายกันแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทาได้ เราก็เลยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราโดยใช่ตายเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์นั้นต่างหาคนที่มีปัญญาจะไม่ทุกข์เพราะจะรู้ว่าไปบังคับร่างกายไม่ได้แต่คนที่ไม่มีปัญญานี้ต้องพยายามสู้สุดอยากสุดๆอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจึงเกิดความเครียดกัน ท, กทุกวันทุกวันทุกเวลา เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคิดถึงความตายโดยเฉพาะช่วงนี้มีโรคระบาด ท, ที่มันทําให้เห็นจริงเห็นจังกับเรื่องความเจ็บความตายเลยเกิดความเครียดกันเพราะไม่เห็นความจริงว่าไปห้ามมันไม่ได้ห้ามร่างกายถ้ามันจะเจ็บไข้ด้วยโรคนี้ก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายเพราะโรคนี้ก็ห้ามมันไม่ได้ แต่ใจยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้แล้วใจเลยทุกข์นี่คือการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องนั่งกรรมฐ า, านไม่ต้องาสามารถพิจารณาได้ขณะนี้ฟังไปพิจารณาไปก็ได้ถ้าเข้าใจอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีก็ได้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากทุกข์กับร่างกายก็ปล่อยมันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอยากไปอยากให้มัน เป็นนิจจำสุขขังอัตตาเท่านั้เครับจากคุณเคนายเสือน้อยครับทําสมาธิหลับตาจนเห็นแสงเป็นดวงและเป็นเส้นสุดท้ายเป็นแสงสว่างจ้าและสามารถควบคุมดวงแสงและเส้นเหล่านั้นไปตามกําหนดได้คืออะไรครับผมเป็นแบบนั้นก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็เล่นกับแสงแนั่นก็ไม่เป็นอะไรก็เหมือนกับคนเล่นเกมี มันก็เล่นไปแต่ผลคือความสงบเนี่จะไม่เกิดอยากการเล่นแสงเล่นอะไรต่างๆเวลาที่นั่งสมาธิจะไม่ได้อุเบกขาจะไม่ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะว่านั่งแล้วไม่ได้มีกสติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธหรือลมหายใจเข้าขออกปล่อยให้ไปเล่นกับ แสงหรือสีที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่นก็จะได้ความเพลิดเพลินสนุกสนานเหมือนกับเล่นเกมไปพอออกออกจากสมาธิมาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรติดเข้ามาติดมากับใจเช่นความอิ่มความสุขใจอิ่มใจจะไม่เกิดคำถามชากคุณปายาโบซาครับสาธุกราบถามการฝึกสตินั้นต้องฝึกแบบจำเหมือนคอมพิวเตอร์ หรือรู้เฉพาะหน้ารู้ละปล่อยกับชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนเข้านอนครับเบื้องต้นก็ต้องจำได้ว่าเราต้องเจริญสติส่วนใหญ่มักจะลืมตัวนี้กันหรือว่าเราต้องเจริญสติกันเช่นลืมว่าเราต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันพุโทโธได้คำสองคำลืมละไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆละเบื้องต้นนี้ต้องจำว่าเรามีหน้าที่อะไร เามีหน้าที่ที่จ ะ, จะเจริญสติถ้าเราใช้คําบริกรรมพุโทโธเราก็ต้องให้จิตต้องเลงถึงคําพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเราก็ต้องจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปีริยาบุทุกการเคลื่อนไหวอย่าลืมหน้าที่นี้ย่งจะว่าจําก็ได้จําว่าเราต้องจเจริญสติน้ดถามตัวเองอยู่เรื่อย อันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ต้องทนความจำเรายังเจริญสติอยู่หรือเปล่าเรายังพุโทโธอยู่หรือเปล่าเรายังเฝ้าดูร่างกายอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังคิดนูน่นคิดนี่วุ่นวายไปหมด น, นี่เรียกว่าไม่ได้จเจริญสติปล่ายให้จิตคิดนี่แสดงว่าไม่มีสติควบคุมหรือถ้ามีสติควบคุมต้องมีควบคุมความคิดได้ต้องไม่ให้จิตคิดหรือถ้าจะให้คิดก็ ค, คิดไปตาม ตามคำสั่งของเราไม่ได้ปล่อยให้คิดจนกระทั่งสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความเครียดให้กับใจคำ ถ, ถามจะคุณไกรเลอร์ครับการาบเรียนถามหลวงพ่อครับนั่งสมาธิทุกคืนด้วยการกำหนดลมหายใจพร้อมบริกรรมพุทโธผ่านวิตกวิจาร์แต่ยังไม่ถึงปีติสุขและเอกคตาต้องมีอุบายภาวนาอย่างไรดีขอรับเราก็ต้องมีความเพียรในทางขยันอย่าเพิง่งเลต่อไปแล้วก็ ควบคุมจิตให้ให้ให้มีสติอยู่กับรมเมื่ออยู่กับพุโทโธต่อไปอย่าไปคาดอย่าไปคิดถึงผลที่ยังไม่เกิดให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธเหมือนกับตั้งแต่เราตอนเริ่มเริ่มต้นเราได้ยึดตกวิจารณแล้วถ้าเราดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปเดี๋ยวปิติกับสุขก็อย่าตามมาแล้วในที่สุดอุเบเกขาเอกขคตาก็อย่าตามมาในที่สุด ถ้าเราไม่หยุดการดูลมหายใจยืบบริกรรมพุทธโธพุทธโธยังต้องมีความเพียรมากๆอย่ายอมแพ้อย่าเลิกเร็วๆใจเย็นๆครับผมคำถามจะกคุณชัดชัดสว่างครับการาบเรียนถามหลวงพ่อครับในการปฏิบัติสมาธิกระผมพยายามปฏิบัติทุกวันเช้าและก่อนนอนผมพยายามรักษาศีลห้าแต่ในบางครั้งเมื่อต้องอยู่กับทางโลกศีลบางตัวมีการพร่องบ้างเช่นการพูดปด อยากเรียนถามว่าการปฏิบัติสมาธิสม่ำเสมอทุกวันแต่บางวันศีนพล่องสมาธิจะสามารถรวมตัวถึงระดับฌานได้หรือไม่ครับและตัวแปรเรื่องสีมีผลต่อสมาธิมากน้อยเพียงใดครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ครับการที่เราไม่สามารถรักษาศีได้ครบก็แสดงว่าสติเรายังไม่ดีพอนั่นเองสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะคอยกำกับใจให้รักษาศีงั้นถ้าเรา ไปลเมิดสินก้อนใด้อหนึ่งก็แสดงว่าสติเราบกพร่อมเมื่อสติบกพร่องเราก็จะไม่มีสติที่จะเอามาใช้ในการที่ทำใจให้สมบกได้เต็มที่นั่นเอง่งสิต้องพร้อมก่อนถ้าถ้ารักษาสิลได้ครบบริบูรณ์ก็แสดงว่าสติเราดีเมื่อสติเราดีการนั่งสมาธิก็จะทำให้เราสามารถเข้าสู่สมาธิได้เต็มที่ การที่เรารักษาศีลได้หรือไม่มันก็บก่งบอกถึงกําลังของสติของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรนั่นเองคําถามจากคุณวิจิตครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ทุกข์ถ้าต้องประสบกับ ก, บการพัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักครับก็พิจารณาด้วยปัญญาในว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่เรารักนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีเกิดมีดับมีมามีไปเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยซึ่งเรารู้เรื่องดินฟ้าอากาศที้เราไม่ค่อยทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเองเราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเรามอง ได้ด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังครับของเราเราก็ปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าเขายัาไปก็ปล่อยก็ไปถ้าเขายังอยู่ก็ปล่อยก็อยู่ไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปอย่าไปอยากให้เขาพลาดพลาดจากเราเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นเอง คำถามจากคุณเจเียงสายวารีครับกล่าวคำสักการพระอาจารย์นะคะหนูเป็นคนพิการค่ะเมื่อก่อนหนูเคยมีแฟนแต่ตั้งแต่หนูป่วยเป็นคนพิการเขาก็ทิ้งหนูไปแบบนี้เขาเรียกว่าบทกรรมต่อกันหรือเปล่าคะอยากหลุดพ้นจะทํำยังไงคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกันก็ถือว่าก็ไม่มีกรรมเพราะว่าถ้ายัางเกี่ยวข้องกันยังหรือยังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีหลักกันนะฮ้องราแห้กันแต่พอเราอยู่คนเดียว เรากับเขาก็หมดกรรมกันไปแต่ไม่ทราบว่าจะหมดแบบถาวรหรือไม่มันดีเืินดีเขาอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถ้าเกิดเรารวยขึ้นมาเ็าอาจจะกลับมาเคลมอันยังเป็นภรรยาของเราอยู่ก็ได้นันมันไม่มีอะไรแน่นอนเราถือว่าถ้าไม่ถ้าเขาไม่อยู่ว่าถือว่าหมดกรรมในช่วงขณะนั้นก็แล้วกันแต่จะหมดกันอย่างถาวรหรือไม่นี้ต้องดูต่อไป ดังยังมีตอนตอนตอนที่สองตอนที่สามอยู่ก็ดูไปเรื่<ๆ>อยๆไม่ต้องไปกัง<ๆ>วลกับมันถ้ามาก็มาถ้าไปก็ไปเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับใจของเราให้นิ่งเฉยได้คำถามจากคุณชนัทพงศ์ครับสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือตอนว่างจากงานบางทีจิตชอบแวบคิดปรมามทยพร ะ, พระ เองทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้ตั้งใจจะคิดปรามาสเลยขอเข้ามาพระทุกครั้งที่คิดจะบาปไหมครับและมีวิธีแก้ไหมครับพระอาจารย์ยังไม่ได้มีการพูดทางวาจาหรือทางการกระทําทางร่างกายนี้ยังไม่บาปสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยของเราที่ชอบคิดอย่างนี้มันเคยคิดมาจนสะสมทั้งอยู่ในใจวิธีแก้ก็คือทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องยับยั้งมันด้วยสติ ท่องพุดโธ ท, โทไปเรือกราบขอเข้ามาพระทุกครั้งไปแล้วก็สอนใจไปในตัวว่าคิดแบบนี้ไม่ควรคิดแล้วพยายามคอยหักข้ามจิตใจไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เริ่มได้คาถามจากคุณใหม่ไทยครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาเวลาจิตเริ่มนิ่งมันจะใจหายแวบอย่างแรงเจ้าขาเหมือนจะออกจากร่างคะ่ะ ก็เป็นธรรมดาเวลาจิตจะรวมจะสงบนี้มันมักจะมีอาการแปลกๆส่วนใหญ่มักจะเเหมือนกับการตกลุมอากาศมันจบจากที่สูงลงมาวุบลงมาให้ใกล้มีสติรู้อยู่เฉยๆไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้สกักแต่วะารู้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งแล้วทุกอย่างก็จะสงบจะสบายคำถามจาคุณบรรลังสอนครับ คนที่เขารวยมหาศาลและไม่ยอมบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสังคมเลยยาเวลาสังคมกำลังต้องการความช่วยเหลือคนคนนั้นเป็นตัวแทนของสังคมไทยได้จริงหรือเปล่าครับเราก็ไม่ทราบความหมายของคําว่าเป็นตัวแทนของสังคมนี้ต้องเป็นอย่างไรทุกคนก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนจะเก็บไว้หรือจะให้ใครนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาก็จะมีมากมีน้อยมันก็เป็นเรื่องของเขา เขาจะเป็นผู้แทนหรือไม่นี้ตามหลักกฎหมายจะเป็นผู้แทนก็ต้องลงสมัครสมัครเลือกตั้งเป็นเป็นผู้แทนของประชาชนหรือสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรต่างๆนี้ถึงจะถือว่าเป็นตัวแทนของของประชาชนทำหน้าที่แทนประชาชนนั่นเองแต่ถ้าเขารวยก็มีเงินมีทองนี้เขาจะทำอะไรไม่ทำนี้ไม่ได้ถือว่าเ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของ ของสังคมใจยันใดงั้นเราไม่ควรที่จะไปกังวลกับเขาเราควรมองที่ตัวเราดีกว่าว่าเราทําอะไรให้กับผู้อื่นได้บ้างน้อยเพียงไรเป็นการทําบุญทําทานนี่คนอื่นจะทําบุญทาทานหรือไม่เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับตัวเราเองให้ทําบุญทําทานได้ถ้าเราเห็นว่าการทําบุญทําทานนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้กับสังคม อย่างนี้ดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าแทนที่จะมาชี้หน้าดา่ากันไปดา่ากันมาไม่เกิดประโยชน์อะไรเรามาทําในสิ่งที่ดีที่เราทําได้ดีกว่าส่วนคนอื่นจะทําอะไรก็ไม่ทําอะไรนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณฟิโอนาครับเวลาเราเผลอสติทําไมจิตชอบคิดไปในทางไม่ดีคะก็เหมือนรถยนต์ที่เวลาเราไม่เหยียบเบรก break, มันก็วิ่งไปจิตถ้าเราไม่มีสติจิตมันก็คิดไป ทางไม่ดีหรือทางดีก็แล้วแต่ถ้ามันชอบเคยไปทางทางไม่ดีมันก็จะไปทางไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะพอควบคุมบัมงคับกันได้เนีคนที่รักษาศีลได้ก็เพราะมีสติ<ๆ>พอไม่มีสติปั๊บเนี่ยพูดจาจอยากคลายออกมาละพูดจาพูดปดพูดโกหกหลอกมืออะไรต่างๆก็ออกมาพอไม่มีสติคอยควบคุมใจแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมอยู่มันก็ไม่พูด คำถามจากคุณพมพรครับกลั บ, บถามพระอาจารย์ค่ะโยมสวดมนต์ไม่ค่อยจบดีสวดมนต์แปลค่ะมักหลุดเข้าสมาธิบ่อยครั้งทําอย่างไรดีเจ้าคะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเข้าสมาธิได้ก็ดีเพราะการสวดมนต์ที่แท้จริงนี่นก็เป็นการส่งจิตให้เข้าสมาธินั่นเองงั้นจะสวดจบไม่จบนี่นไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าสวดไปแล้วหยุดกลางคันจิต น, นิ่งสงบขึ้นมากลางคัดก็ใช้ได้ เป้าเป้าหมายของการสวดมนต์ก็เพื่อส่งบจิตให้เข้าสมาธิคำถามจะคุณนิลมามัยครับการสวดมนต์จำเป็นต้องสวดต่อหน้าพระพุทธรูปในห้องพระทานั้นหรือไม่ออไม่จำเป็นเลยการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติสวดได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาถ้าเราสวดภายในใจเพื่อควบคุมใจวควบคุมความคิดของเราเราสวดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน ใจเราเริ่มรู้สึกมีอาการไม่ดีแล้วก็สวดบนไปภายในใจสักพักหนึ่งอาการไม่ดีภายในใจก็จะหายไปคําถามจากคุณธิติมาครับการเปียนเจ้าค่ะหากเคยบริกรรมยุบหนอพองหนอมาตลอดแต่เปลี่ยนมาเป็นพุโทโธจะทําอย่างไรครเพราะปฏิบัติแล้วกลายเป็นสั บ, ส, บสนบางทีมาทีเดียวสองอย่างสลับกันจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องมีสติ สามารถที่จะสั่งให้จิตเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าไม่สามารถก็กลับไปใช้อย่างเดิมก็ได้ยุบเนอเพ่าเนอมันก็เหมือนกับพทุทโธไม่จําเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนเป็นพุทโธก็ได้ดงั้นถ้าสติเรามีกําลังไม่พออันนี้มันก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมาได้เนี่ยก็เราต้องบังคับ่าให้เราอย่างใดอย่าง คำถามจากคุณส้มเขียวหวานครับากาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่นั่งสมาธิได้อานิสงส์ต่างกันไหมคะตามจะได้สติคือแต่ไม่ได้ความสงบคือสมาธิสติก็ให้ความว่างความเบาในจิตใจปราศ จ, จากความคิดต่างๆเรื่องความคิดน้อยลงไปไม่ผุ้งซ่านแต่ใช้จิตนิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาเป็นจิตที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขท้งบวมนี้ต้องนั่งสมาธิถึงจะได้ คำถามจากคุณสันติตาครับขอโอกาสกลับเป็นถามาอาจารย์สองข้อเจ้าค่ะข้อที่ 1. หลานปวดไมเกรนเลยภาวนาอิติปิโสพอจิตสงบเลยเข้าไปพิจารณาหัวที่ปวดว่าปวดตรงไหนแล้วถามตอบกับจิตตัวเองว่าเอาอะไรมาปวดในเมื่อร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้ง4ถามตอบจิตตัวเองเนะี่ยไปมาอยู่นานพอมีเหตุมีผลเพียงพอจิตอีกดวงหนึ่งก็ยอมความปวดก็เลยหายไปภายในเวลาประมาณเกือบ30นาที แล้วก็อิติปิโส ต, ต่อจนหลับทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะในคําถามที่หนึ่งครับอาจารย์ครับก็ถูกต้องถ้าทําให้จิตสงบทําให้ความปวดหายไปแต่บางครั้งมันอาจจะไม่หายก็ได้นะเพราะความปวดนี่มันแล้วแต่ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเหตุถ้าเกิดเป็นเหตุทางร่างกายนี้ทางจิตก็ไม่อาจจะทําให้มันหายได้แต่ถ้ามันเป็นเกิดจากจิตที่ฟุง้งซ่านจิตเครียดขึ้นมาแล้วทําให้ปวดนี้ พอเราทำจิตให้สงบมันก็หายตามได้งั้นเรื่องการปวดของร่างกายนี่ก็เป็นผลพลอยได้มันจะหายไม่หายแต่เป้าหมายหลักเราต้องการผลหลักก็คือความสงบของจิตเพราะถ้าจิตเราสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความปวดของร่างกายคำถามที่สองเขาเขียนไม่จบครับอาจารย์ครับเขียนว่าหลานเคยฝันเห็นหลวงตาหลวงตามาหาบัวมาสอนว่า ทานนี้เราทำมาดีแล้วให้มาพิจารณาเรื่องโทสะจริตก่อนว่าอย่าทำตัวให้เหมือนเห็ดท่า น, น, น, ท, านท่านก็สอนให้เรามาลดละโทสะความโกรธของเราด้วยการลดละความอยากต่างๆเพราะความโกรธของเรานี้มันเกิดจากความอยาก เวลาเราอยากอะไรได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธจะเสียใจงั้นพยายามลดละความอยากทาใจให้เราเป็นสันโดษเพื่อยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจแฮปปี้อย่าไปมา ก, า ก, กมากอย่าไปลบมากอย่าไปอยากได้มากเพราะอยากได้มากแล้วเวลาไม่ได้มันก็จะโกรธเงได้น้อยก็จะโกรธ เะะนพยายามหัดทาใจให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วความกอดนี่จะลดน้อยถอยลงไปคําถามจากคุณนันนิกครับพระอาจารย์ขอรับการที่ผมลืมหมดทุกอย่างเป็นการดีไหมขอรับมันเป็นไปนได้ก็ดีดแต่แต่มันก็ไม่ดีถ้าลืมืมหมดแล้วคุณจะทําอะไรได้นะคุณชืงง่อ่วลนวนี่วันอะไรคนเชื่ออะไร<ม>ไปไหนเขาถามว่า คุณมาจากไหนเชื่ออะไรไม่รู้เลยคุณก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนเฟืองนั่นจักุณครับแต่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะเรียหมดทุกอย่างครับคำ ถ, ถามจะคุณมานพครับกราบธรรมสการพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าให้พระอาจารย์แนะนําในการปฏิบัติง่ายๆในการหลุดพ้นจากอบายนะครับสาธุครับเราอย่าทําบาปทั้งปวงนั่นเองบาปนี้นอกจากสีหน้าแล้วก็ต้องลงไปถึงอบายอย่างมุกฆ่าด้วย ว่ายาไมา่อบายามุขนี่เป็นผู้สนับสนุนให้ทําบาปทีเพราคนเดือบโราแล้วพอเมาก็ไม่มีสติแล้มักจะไปทําบาปได้ง่ายนี่หนึ่งนอบายามุกก็คือโซลาสองการเล่นการพนันเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปขโมยเงินมาเล่นต่อสามเที่ยวเตะการเที่ยวก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินหมดก็ต้องไปขโมยเงินไปช้อโกง เพื่อที่จะได้มาใช้ในการเที่ยวเต็งต่อแล้วก็ความเกียจข้าก็เป็นอนบายามุขเพราะเมื่อเกียจข้าแล้วก็จะไม่ไม่ไม่มีความเพียรขยันหมัดเพียรที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพหารายได้มาจุนเจือก็จะหาหารายได้โดยวิธีไม่ชอบไปขโมยไปช่อกลวงเป็นต้นหา้าการคบคนชอบอบายามุขเป็นนิดก็เป็นอนบายามุขเหมือนกัน ถ้าเราไปชอบเราไปคบกับคนชอบดื่มโซาเขาก็จะชวนเราไปดื่มโาคบคนชอบเล่นการ์ดนานเขาก็จะชวนเราไปเล่นการ์ดนานคบกับคนชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวชอบคบกับคนที่เกลียดค้าวเขาก็จะชวนเราให้เกลียดข้าวอยนี้คือใบห้าข้อเดียกันอบาใบม so. ุกน mm. ี้คำว่ามุกก็คือทวารทางเท้านี่ อบายก็คือทางเข้าอบายสี่สถานด้วยกันงนั้นถ้าเราต้องการอีกเรื่องการที่จะไปอบายนี้เราจะไปอยู่ใกล้ทางเข้าพยายามอยู่ใกล้ๆจากทางเข้าคือด้วยการไม่ไปเสพอบายอมุกเพื่อเราไม่เสพอบายอมุกโอกาสที่เราจะไปทาบาสนี้ก็น้อยลงแต่ไม่หมดอย่างน้อยเราก็การไปไว้ส่วนหนึ่งก็คืออบายอมุกโดยที่จะมาทำให้เราทำบาตได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นเราก็ต้องมีสติคอยรักมีฮิเรโอตปะการที่เราจะรักษาศีลไม่ทําบาปได้เนี่ยเราต้องมีฮิเรคือหนึ่ ง, งความอายเพราะคนทําบาปนี้มักจะอายเพราะไม่อยากจะให้ใครเขาตำหนิว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยต้องมีฮิเรอย่าหน้าด้านาง่ายๆเรารู้จักอายบ้างว่าการทําบาปนี้เป็นสิ่งที่หน้าอายไม่เหมือนสมายนี้รู้สึกว่าจะกล้าหาญกับความความทําบาป เฉพาะสี้อสามหมู่นี้ได้ข่าวออกมาประกาศกันลั่นบ้านว่าฉันไม่ไอายแล้วฉันไปแย่งผัวของคนอื่นฉันไปมีเมียของของคนอื่นสแสดงว่ามีความอยากอายก็เลยกล้าทําบาปคนที่มีความอายนี้จะไม่กล้าทําบาปแล้วก็มีความกลัวในผลของที่จะเกิดจากการทําบาปก็คืออบายทั้งสี่นี้ผู้ที่ทําบาป น, นี้ตายไปนี้จะต้องไปเกิดในอบายสี่สถาน ที่ใดที่หนึ่เนนงเป็น เ, ha, เนรฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูราพกายบ้างหรือไปนรกบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทําบาปถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเนรฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็ไปนรก จะต้อง ม, มีต้องรู้ผลเหมือนกับที่เรารู้ว่าถ้าเราทําผิดกฎหมายนี่จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเราก็มักจะไม่กล้าทําผิดกฎหมายขึ้นฉันใดบาปก็มีเป็นเหมือนกฎหมายเหมือนกันมีผลมีคุกตารางที่จะจับผู้กระทําบาปไปขังแต่มันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปมันเอาจิตใจไปไ ป, ไปขังในคุกตารางของอาบายต่อไป ซึ่งเราแม่สามารถมองเห็นจิตใจได้เพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมืนร่างกายก็เลยอาจจะทําให้เราคิดว่าตายแล้วสูงคือพอร่างกายตายแล้วใครจะไปรับผลบาปความจริงตายเพียงร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้อยู่ต่อและใจนี้แหละจะถูกบาปเป็นผู้จับไปขังในอบายต่อไปคํถาถามจากคุณพีรวัตรครับ นั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธสลับมองในความมืดเพื่อดึงไม่ให้จิตคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เป็นวิธีแบบไหนครับถูกต้องไหมครับสาธุครับคือวิธีมันนั่งสมาธินี่มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดขึ้นมาเองก็ได้ังอาจจะเป็นวิธีของคุณแต่ต้องดูว่าผลมันเป็นยังไงที่ถ้าทาแล้วทาให้จิตสงบจิตรวมได้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง ท่า น, นั่งแไม่สงบไม่ไมันก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้คำถามจากคุณพัทรพรครับพี่แม่บ้านรบกวนเรียนถามะอาจารย์ใหม่ๆพอนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีจะเห็นแสงสว่างเพ่งดูใจไม่ได้คิดอะไรเห็นต้นไม้สูงเสยด ฟ, ฟ้าใสาสว่างมากจะเห็นบ่อยมากทำไมถึงเห็นแบบนี้คะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะมันก็เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ แต่ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเราต้องการความว่างความสงบงั้นเวลาเห็นอะไรเวลาปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจให้ดูลมหายใจต่อไปหรือให้บริกรรมุทโตต่อไ ป, อไปแล้วเดี๋ยวแสงต่างๆอนี้ก็จะหายไปเมื่อถึงจุดอิ่มตัวจิตก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะเป็นหนึ่งไม่กเอกากตาหมเป็นเบเกคร์คำถามจากคุณวริพรครับ ถือสินแปดอยู่ที่บ้านแต่ทํางานไปด้วยจะเหมาะสมไหมคะคือการถือศินแปดนี่เป็นสิ่งที่ดีถ้าสามารถถือสินแปดควบคู่กับการทํางานได้ก็ไม่มีปัญหาเลยดีกว่าไม่ถือสินแปดไม่ถือศีนเลยไม่ถือศินทํางานไปอาจจะชอบโง่มาได้อาจจะปรับบัญชีหนี้ภาษีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าถือสินก็รู้ว่าทําไม่ได้ ดังนั้นการมีสีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจะสินห้าหรือสินแปก็ได้แล้วแต่เราจากคุณวันล้านไลค์ครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนธรรมดาพอแจกของให้คนจนเสร็จแล้วตนเองกรวดน้ำให้ผู้อื่นวิญญาณทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่านพิธีสงไม่มีพระสงฆ์เกี่ยวข้องผลบุญนั้นจะไปถึงวิญญาณที่เราอุทิศให้หรือไม่ครับถึงเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์มันเรื่องของการเสียสละแบ่งปันของเราพอเรา ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นเราก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจเราอันนั้นแหละคือบุญบุญแปลว่าความสุขใจอีกใจที่เราสามารถที่จะแบ่งให้กับผู้ที่งรงลับไปแล้วได้โดยที่ไม่ต้องใช้การปวดน้ําก็ได้เพียงแต่ให้รับฤทธภายในจิตเท่า น, นั้นก็พอแต่ถ้าอยากจะปวดน้ําด้วยก็ไม่เป็นปนัญหา คำ ถ, ถามจากุณปุยนุ่นครับเมื่อเวลาทําสมาธินิ่งสักพักแล้วเราควรพิจารณาหรือปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรคะถ้าเราต้องการที่จะฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตนิ่งให้สงบให้มีความสุขเวลาจิตนิ่งแล้วพยายามรักษาให้มันนิ่งไปนานๆดีกว่าเราต้องการให้จิตมีความสุขก่อนก่อนที่เราจะเอาจิตไปสอนเรื่องเรื่องทางปัญญาการตน้ตนก็เหมือนกับ ก่อนที่เราจะเอาคนไปทำงานนี่เราต้องให้เขากินข้าวให้อิ่มกถ้าเขากินข้าวอิ่มแล้วเขามีความสุขแล้วมีกำลังแล้วเราค่อยเอาเขาไปทำงานอย่าเพิ่งพอให้เขากินข้าวสองคำปั๊ c, แล้วก็เรียกเขาไปทำงานเลยอันนี้เวลานะ้าสมาธิพอจิตเริ่มสงบก็เหมือนเพิ่งกินข้าวได้คำสองคำก็อย่าไปเอาจิตไปทำงานเราไปใช้พิจารณาทางปัญญาแต่อย่างใด ควรให้จิตนี่กินอาหารคือความสงบไป็นนานๆให้มันรู้สึกอิ่มเต็มที่แล้วเดี๋ยวพอมันอิ่มแล้วมันจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาจากความสงบแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ทางปัญญาได้เอาไปสอนให้จิตพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เทียมเก่าแก่เจ็ตายเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอย่างนี้สอนบ่อยๆเพื่อให้จดให้จับไม่ให้หลงไม่ให้ลย จนกว่าเราจะจําได้ไม่ลืมแล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็ถึงจะเริ่มพิจารณาร่างกายได้คําถามจ้าคุณสุพรรณีครับา ก, การบรรพสการพระอาจารย์ค่ะเคยฝึกสมาธิเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนมีภาพผ่านเข้ามานะให้เห็นเร็วๆมากๆเหมือนดูหนังที่เล่นเร็วมากๆจนมองไม่ทันและรู้สึกกลัวมากค่ะสักพักรู้สึกว่าตัวเองหมุนทั้งๆที่ไม่รู้ว่าร่างกายหมุนหรือไม่ค่ะรู้ตัวอีกทีก็กรีดออกมาดังๆ จะมีพี่เลี้ยงเข้ามาทําให้ออกจากสมาธิค่ะตั้งแต่นั้นมาเลยไม่กล้านั่งสมาธินา น, านเลยค่ะน้ำพระสการพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีสติเนี่ยขาดสติคอยควบคุมใจมันก็เลยเกิดอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจมาหลอกเราแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปแล้วมีสติจดจ่อรูให้จิตนิ่งไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งอะไร อาการกต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเป็นการนั่งสมาธิแบบไม่ควบคุมจิตมันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะทําให้ไม่กล้าหน้านต่อไปคําถามจาคุณเกรเตยู่ครับขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิมีอาการตกใจทุกครั้งที่มีเสียงดังแทรกเข้ามาเราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปสนใจมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเสียงมันก็เป็นสิ่งที่เรากควบคุมบังคับไปได้ เวลามันจะเกิดขึ้นมาก็ปล่อยันเกิดไปเหมือนแสงฟ้าผ่านั่งอยู่ดีๆพางทีฟ้าร้องฟา้าผ่าขึ้นมาก็าปล่อยให้มันเป็นไปเราอย่าไปมีปฏิกิริยากับมันเราก็พยายามรักษาจิตให้เนื่งสงบต่อไปด้วยการเจริญสติของเราไปเรื่อยๆท่านนั้นเองคาถามจากคุณตวงฤทธ์ครับสอบถามพระอาจารย์ครับบนสวรรค์มีเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าครับ สวรรค์ก็เป็นสภาวะของจิตนย่าหนึ่งซึ่งก็เสื่อมได้เมื่อบุญที่ทําให้จิตมีความสุขนี้หมดกําลังความสุขนั้นก็หมดไปสวรรค์นั้นก็จางหายไปจิตก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปจากคุณป๊อปเคทูครับเห็นธรรมในธรรมคือควรเห็นอย่างไรครับก็การเห็นธรรมก็คือให้เห็นเช่น เห็นว่าเห็นอริยสัจสี่นี่ยหรือเห็นไตรลักษณ์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมคุณคุณมนครับกราบดับวัชการเจ้าข่าเวลานั่งสมาธิจะมีอาการเวียนหัวถ้าฝืนนั่งต่อก็จะมีอาการขึ้นไส้ด้วยเจ้ า, าค่ะก็อย่าเพิ่งนั่งแสดงว่าเราไม่มีสติพอนั่นเองเราลองนั่งสวดมนต์ไปก่อน สุดไปเรื่อยๆจะบาดจิตจะเย็นจะนิ่ ง, ง, งแล้วค่อยลค่อยนั่งสมาธิต่ออยู่ตอนถ้านั่งสมาธิแล้วมีอาการเหลนี้แสดงว่าจิตมันต่อตา้านมันมีอาการเหมือนแสลงจิตก็ต้องใช้การสวดมนต์เพื่อสร้างสติขึ้นมาเพื่อกอเจิตให้สงบตัวลงในระดับหนึ่งก่อนแล้วถึงค่อยมานั่งสมาธิต่อคํถาถามจากคุณพรมพรครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ โยมตั้งจิตไว้ว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายพบชาติต่อไปเพื่อจะได้บวชเป็นพระเป็นสาวกพระพุทธองค์อย่างเต็มตัวถือเป็นกิเลสไหมเจ้าคะทุกวันนี้รักษาศีลจนเป็นปกติสวดมนต์เป็นประจำละบาปทั้งปวงเจ้าโยมกลัวจะเป็นกิเลสความอยากเจ้าขาลบกวนแนะนําด้วยเจ้าค่ะจริงมันเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าเพราะการจะเป็นสาวกของมระพุทธเจานี้เป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายในสมัยพระพุทธกาลนี้มีทั้งหญิงทั้งชาย ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระมารดาของเลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็เป็นภิกษุณีรูปแรกเป็นป้าอรหันต์ภรรยาของท่านก็เป็นป้าอรหันต์ยังมีมีผู้หญิงที่สามารถปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าไดา้ไม่ต้องรอถึงภพหน้าชาญ น, นะถ้าไปรอให้เกิดเป็นผู้ชายไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเกิดเป็นผู้ชายเพราะการ เปลี่ยนเพศดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นของของ่ายเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยของจิตจิตเคยชอบแบบไหนมันก็จะชอบแบบนั้นไปงั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนเพศดีกว่าให้มาคิดว่าตอนนี้เราโชคดีเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถสอนให้เราบรรลุธรรมระดับต่างๆได้ขอให้เรามาตั้งใจปฏิบัติทำกันดีกว่ารักษาสีส่วนบน แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแล้วก็หัดพิจารณาตายรักอยู่ไปเนื่ยเดี๋ยวไม่นานก็จะสามารถเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้คำถามจากคุณวันนิยาครับกราบพระอาจารย์ทำไมจิตคอยคิดถึงสิ่งที่คนทำให้เรือเราเคืองแค้นพยายามไม่นึกถึงแต่ก็หวนกลับไปนึกถึงตลอดขอพระอาจารย์ชี้แนะในทางปฏิบัติครัก็มันเป็นนิสัยของเราที่เราได้สะสมมาแล้วเนี่ เรื่องความโกรธความแค้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปตามนิสัยของมันซึ่งเราก็ต้องมาแก้มันด้วยสติพยายามยับยั้งมันเวลามันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธอักบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วก็สอนใจให้เจริญเมตตาเธอให้ไม่จองเวรกันสัพเพสัตตาเวลาโหมตุ พรการจองเวกรกันนี้จะนะํามาสู่เวรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเวรย่อมมระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรสอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่ไปจองเวรจองกรรมไปคําถามสากคุณกมลทิพย์ครับการวางเฉยหรือเฉยมือถือเป็นการปล่อยวางหรือไม่คะไม่เหมือนกันอะการวางเฉยนี่ก็ยังทำไรายได้อยู่เช่น แต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายนี้เราปล่อยวางร่างกายได้เนี่ยเราเฉยร่างกายมันจะเจ็บก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันมันจะตายก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันแต่ก็ดูแลมันอยู่กินยาไปรักษาไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการง่วงเฉยด้วยอุอเปล่าการเฉยมนเมยนี่ยอาจจะไม่สนใจในร่างกายจะเป็นอะไรจะเป็นจะตายก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ใจก็เครียดก็ทุกข์กับมา น, น, นีเ่เรยกวจากคุณลันมิกครับกลับขอถามพระอาจารย์ขอรับเวลาเราตายแล้วสามารถเรียกที่ไปได้ไหมขอรับเราสามารถกําหนดได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราจะไปทางสวรรค์หรือไปทางระบายด้วยการกระทําของเรานี่แหละถ้าเราอยากจะให้ใจของเราไปทางสวรรค์ก็มันทําบุญบรักษาศีลไว้อย่าทําบา แล้วใจของเราเวลาตายไปก็จะไปทางสวัสด์แต่ถ้าเราปล่อยให้ทําบาปอยู่เรื่อยๆไม่ทําบุญหรือทําบุญน้อยกว่าทำบาปบาปก็จะเน้นใจให้เราไปทางอาบายดังนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะกาหนดทิศทางของใจเราได้อยู่ที่การกระทําของเรานี่ย อ, อยู่ที่การกระทําบุญหรือทําบาปของเรา แต่คุณประเสริฐครับกลาวน้ำมัศ ก, การท่านอาจารย์สภาวะที่รู้สึกตัวแต่ไม่มีลมหายใจและคําภาวนาหายไปจิตยเย็นและเงียบและมืดสนิทอยู่ได้นานโดยไม่มีลมหายใจจากนี้ไปจะอย่างไรต่อครับสาธุ ค, ครับก็ได้เป็นอย่างนี้ไปนานๆให้มันสงบไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็เริ่มภาวนาใหม่ค <c oughs> าถามจากคุณเรนนี่ครับ กรารในพิธการพระอาจารย์ค่ะแม่ไปทําบุญวันพระมาแล้วโทรมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับแม่แบบนี้เราจะได้บุญด้วยไหมคะได้บุญคนละแบบกันบุญที่แม่ได้จากการทําบุญเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียสละอะไรไปกับแม่งแต่ว่าเราได้บุญจากความยินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ทําบุญแล้วเรายินดีไปกับเขาแล้วก็มีความสุขไปกับเขาอันนี้เป็นบุญคนละชนิดกักบบุญที่แม่ไปทํา คำถามจากคุณบัญชาครับกลาบนำสการครับหลวงพ่อกระผมขอถามครับว่าสติมาปัญญาเกิดจริงไหมครับหลวงพ่อไม่จริงหรอกสติก็เป็นสติปัญญาก็เป็นปัญญาต้องสร้างทั้งสติทั้งปัญญาปั้จุบนก็ให้สร้างสติก่อนก็ก่อนจะสร้างปัญญาได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะสร้างปัญญาได้เช่นดูเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือถ้าไม่มีสติฟังอาจารย์นี่ ใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้ปัญญาที่จะได้จากครูบาอาจารย์ก็จะไม่ได้เพราะจิตไม่ได้ตั้งใจฟังนั่นเองนี้ก่อนที่จะได้ปัญญานี้ต้องมีสติก่อนไม่มีสติแล้วก็ต้องไปสร้างปัญญาด้วยการศึกษาจากผู้ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะสอนตัวเราเองได้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาจากผู้อื่นหรือว่าถ้าบางอย่างเราสามารถสอนตัวเราเองได้เราก็สอนไปเช่นถ้า ทำการปฏิบัติที่เราสอนตัวเราเองได้เพราะเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาแล้วว่าถ้าอยากจะเกิดปัญญาก็ให้พิจารณาไตายรักเราก็พิจารณาตายรักไปอย่างนี้มันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่ถ้ามีแต่เพียงสติจิตก็จะนิ่งเฉยๆแต่จะไม่รู้จกักตายรักว่าเป็นยังไงจะรู้จกักตายรักจิตต้องคิดพิจารณาเรื่องของตายรักถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ คำถามจ้าคุณโดมินิกครับพระอาจารย์ครับชี้ทางครับปิติสุขเป็นเรื่องที่เคยทําได้10กว่าปีแล้วตอนนี้กลับมาเพียรฝึกสมาธิใหม่ถามว่าหากไปได้ถึงปิติสุขได้เหมือน10ปีก่อนแล้วไปทางไหนต่อครับเพราะเมื่อก่อนไปถึงปิติสุขแล้วไปต่อไม่ถูกจึงเลิกนั่งไปก็นั่งดูลมต่อไปนั่งพุโทโธต่อไปแล้วมันจะพาเราไปเองอย่าหยุดการภาวานาอย่าหยุดการควบคุมจิตด้วยสติให้อยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธไป พอถึงเปรติสุกก็อย่าเพิ่งอยู่ทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ อ, อุเบคาสู่อเอก ค, คาตาลมต่อไปโดยอัตโนมัติเราไม่นำทำอะไรทำเพียงแต่ให้มีสติอยู่กับลมาหายใจไม่ อ, อยู่กับพู้โทรไปเท่านั้นเองคุณเพชรรัศก์ครับน้อมกราบอำมาการเจ้าขาพระอาจารย์ควรใช้อุบายใดในการละวางจากอดีตเรื่องราวที่เรายัางยึดติดเป็นทุกข์เจ้าค่ะ เวลานั่งสมาธิกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจแต่พอนั่งไปมีวกแวกเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้าเรามีสติมากขึ้นเวลาจิตจะไปอดีตเราก็หยุดมันได้ถ้าหยุดไม่ได้เราก็สร้างสติขึ้นมาตอนนั้นก็ได้เช่นพอจะไปคิดถึงอดีตเราก็ท่อพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องไปจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงอดีตแล้วค่อยหยุดพุทโธไปเอามันเริ่มคิดถึงอดีตอีกแล้วก็พุทโธพุทโธไปเร้่อย ต่อไปพอเรามีสติมีกําลังมากพอเราไม่ต้องทําพุโทโธก็ได้พอมันจะคิดไปที่อดีตเราก็ใช้สติสั่งใ ห, ห, ห้มันหยุดไปได้ถ้าไม่มีสติสั่งให้มันหยุดเราก็ต้องสร้างพุโทโธสร้างสติขึ้นมาในขณะนั้นเลยด้วยการทําพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเมื่อจะสวดอิติปิโสไปหลายๆจบก็ได้เดี๋ยวเราก็จะเร็วเรื่องที่เราคิดถึงอดีตได้ คำถามจากคุณจิรพรครับทำไมเวลาไปวัดอยากไปทำบุญพวกแม่ชีต้องพูดว่าต้องบังคับใส่ชุดขาวด้วยมีความจำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกการทำบุญนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใส่ชุดขาวแต่แต่ว่าอาจจะเป็นธรรมเนียมของวัดบางวัดเขาที่เขาต้องการให้ใส่เครื่องแบบไปเท่านั้นเองแต่วัดส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่บังคับคนที่ไปทำบุญว่าจะต้องใส่ชุดขาว คุณฟิลนาครับการพิจารณาขันห้าการแยกธาตุแยกขันต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆหรือพิจารณาหลังจากออกจากสมาธิแล้วคะก็ต้องพิจารณาตอนที่ออกจากสมาธิอย่าพิจารณาในขณะที่ทําสมาธิเพราะจิตจะไม่เร่งไม่สงบนั่งสมาธิเราต้องการทําให้จิตให้เร่งให้สงบเราต้องเราจึงพิจารณาไม่ได้แตถ้าเราต้องการพิจารณานี้เราต้องรอให้ออกจากสมาธิา ก, ก่อน เราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยยกเว้นขณะที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นคำถามจ้าคุณสายครับกราบนพัธการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการบวชหน้าไฟจะช่วยนําทางสว่างให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจริงไหมคะในจริงหรอกเพราะว่าผู้ที่บวชได้ก็ยังไม่มีแสงสว่างเลยบวชชาแล้ศึกเย็นนี่จะมีแสงสว่างเลยถ้ามีแสงสว่างก็ต้องบวชให้สึกมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องดับงั้นก็เมื่อไปเช่นนั้นก็กลับไปทำไมกลับไปก็ตายเหมือนกันสู้อยู่เป็นท้าบวชเพื่อให้ปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นดีกว่าสแสดงว่าการบวชน้าไฟนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเล ย, เลยในทางให้แสงสว่างแก่ผู้เรียนลงลับไปแล้วให้ไม่ได้หรือเสียด้วยซ้ําไปไม่มีคคาให้แสงสว่างให้กับผู้ที่ลงลับไปได้อย่นั้นพระพุทธเจ้าก็ให้แสงสว่างไปนิพพานเลยไม่ไดี ใครตายไปก็พระพุทธเจ้าก็พาไปนิพพานได้เลยมันไปไม่ได้สิ่งที่จะพาไปได้ก็คือบุญน้ำบาตที่เราทำเทอานี้คำถามจากคุณทะเดชครับกราบนรรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอกราบยินถามว่าเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกรู้การเข้าออกของลมหายใจรู้สึกผ่อนคลายว่างเย็นแล้วก็สงบถึงแม้เราลืมตาเราเห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจ ใจกับรับกัดรู้ลมล่มเย็นได้ระยะหนึ่งพอรู้สึกอิ่มปัญหาที่เคยติดค้างก็มีคําตอบไม่ลังเลสงสัยเป็นไปตามคําสั่งสอนขององค์สัต็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าลูกทําถูกทางไหมคะก็ถูกในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ระดับเต็มที่ถ้าระดับเต็มที่นี้ต้องจิตต้องนิ่งสงบแล้วก็มีความสุขเป็นเวลาระยะเวลาอันยาวนานโดยที่ไม่ไม่ดืมตาไม่อะไรทั้งสิ้น ย่อแยกออกจากร่างกายไปเชื่อข่าวอันนี้ยังโลภโจรไม่แต่ทีครับแต่คุณนาตยาครับหากรู้สึกว่าทําทานรักษาศีลห้าไม่ให้ดักพร้อยและฟังธรรมอย่างสม่ําเสมอพิจารณาใจรักได้บ้างก็มีความสุขเพียงพอแล้วกับการได้เกิดมาแต่ไม่มีแรงพอที่จะละ ก, การรมะชันทะต่างๆความรู้สึกแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่คะก็เป็นความคิดที่ ไม่มีความปรารถนาที่ต้องการผลอนันต่อนันต์เสดที่พึงจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเป็นทกเรียนก็พอใจกับเกรด 2.0 นี่ไม่คิดถึงเกรด 4.0 เพราะยังไม่เห็นคุณประโยชน์สําหรับการที่ได้เกรด 4.0 ว่ามีคุณประโยชน์ต่อการที่เราจะไปเรียนศึกษาตามสถานศึกษาที่อื่นต่อ อันนี้คือเรายังไม่มีความปัตนาที่สูงพอใจกับสภาพที่เราปฏิบัติได้อะไรไม่อยากจะเร่งรอนคงขอยมากไปกว่านี้คำถามจากคุณจอมชัยครับการวางเฉยเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ทั้งรักเกลียดแค้นรักถือว่าได้สภาวะสติอย่างหนึ่งไหมครับกาศรรมสถารครับผมใช่มันเป็นสภาวะของจิตที่สงบเรียกว่าโอเบขา ถ้ามีสติสามารถทําจิตให้หยุดคิดให้นิ่งได้ก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแต่จะไม่อยู่ได้ตลอดเดี๋ยวพอสักพักก็จะเสื่อมลงได้ถ้าอยากจะให้มันเป็นบ่อยๆก็ต้องต้องปฏิบัติบ่บอยๆเจริญสติบ่อยๆคําถามจ้าคุณลูกน้ำครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาสวดมนต์จะมีอาการหาวและน้าตาไหลทุกครั้งที่สวดมนต์ข่าเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะามันง่วงมันอยากจะนอนกันเลย จากคุณสัติตาครับขอโอกาสหลานจะตามรู้เรื่องที่มากระทบตามเป็นจริงว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนดับทั้งนั้นว่าทุกเรื่องมันเป็นเช่นนั้นเองจิตก็ยังไม่ลงได้ทุกเรื่องหลานจะมีอุบายอะไรในการพิจารณาให้ลึกซึ้งกว่าทุกวันนี้เจ้าคะ อ, อก็ต้องก็ต้องทําด้วยเช่นดูเงินทองเป็นตัวอย่างม า, มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไป ถ้ามันไม่ไปเราก็ส่งมันไปเทีจถ้าเอาเงินไปทําอยู่ทําทานเพื่อที่จะได้ให้มันลึกซึ้งเข้าไปถึงใจได้แต่คิดว่ามันจะจากไปแต่ไม่ยอมให้มันจากยังโผล่อยู่ยังเก็บไว้อยู่อันนี้มันก็ขัดกันใจก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงใจก็ยังไม่ยอมปล่อยนั่นเองเห็นเราต้องหัดปล่อยด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทําจริงๆมีสิ่งไหนที่เรารักแล้วเราเห็นว่าเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ก็เราปล่อย เก็บไว้ทําไมอย่างนี้มาถึงจะเข้าลึกซึ้งถึงความที่เห็นว่าฟังเป็นอนิจจังนี่เป็นอย่างไรคําถามจากคุณสุธีรัตน์ครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับทาไมประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่จะทําบุญทําทานกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทําไมถึงไม่รวยกันท่วงหน้าแต่ประเทศที่จเจริญแล้วทําไมเขาถึงรวยกว่าเราทั้งที่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนทําบุญทําทาน ออการทําบุญทําทานให้พวกความจริงไม่ได้ทําให้รวยขึ้นทําให้จนลงมากกว่าเพราะเงินคุณจะน้อยลงไปนั่นเองจะไปรวยขึ้นได้อย่างไงแต่มันจะรวยทางทรัพย์ภายในคือความอิ่มใจสุขใจแค่แล้วเรียกว่าบุญบุญนี้ที่จะส่งให้จิตใจของเราไปสู่พบชาติที่ดีกว่าพบชาติของมนุษย์คือพบของเทวดาที่เป็นภพที่มีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์จะไปรวยตอนที่ตายไม่ใช่รวยตอนที่เป็น ให้เข้าใจไว้ตอนที่เป็นที่จะจ น, นดูพระเวสสันดอนี่ท่านทำบุญจะกระท่านหมดเนื้อหมดตัวเลยแต่ท่านโดยที่ใจใจท่านมีความสุขมากกว่าตอนที่ท่านมีเงินมีทองจากแมชีรูปารม์ครับกราบนพัธการพระอาจารย์ค่ะใบไม้ในกำมือพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรเจ้าคะคือเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าสง่งเราเลย พระพุทธเจ้าส่งหยิบใบไม้ขึ้นมาในกามือแล้วก็ถามภาพพิสุว่าใบไม้ที่อยู่ในกามือของเราเนี้กับใบไม้ที่อยู่ในป่านี้อย่างไรจะมากกว่ากันภาพพิสุเขาบอกว่ามันก็ใบไม้อยู่ในป่ามันก็เห็นชัดอยู่มันต้องมากกว <prem ises> ่าใบไบม้ที่มีอยู่ในกำมื อ, ขอเขาเพราพระพุทธเจ้าเขาบอกฉันได้ความรู้ที่เราสาสถามพวกเธอนี่ก็เป็นเหมือนใบไม้ในกามือเราแต่ความรู้ที่เรารู้นี่มันมีมากมายเหมือนกับ ใบไม้ที่อยู่ในป่านี่อันนี้ส่งงเปรียบเทียบไหมว่าสมงรู้อะไรมากมายกายก่อแต่ไม่ส่งนำออกมาสอนเพราะไม่เป็นประโยชน์ครับเราจากคุณเบนจะพาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราเผลอไปเป็นมิจฉาทิฏฐิกับพ่อแม่โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเราเป็นห่วงเขามากแบบนี้โยมจะบาปหนามากไหมจากช่วงภาวะการนี้ค่ะสาธุค่ะ ก็ อ, อยู่ที่ว่าเรามีการกระทําด้วยการพูดาารหรือทางวาจาหรือไม่ถ้าเพียงแต่เป็นความคิดนี้ก็ยังไม่บาปแถ้าเราพูดด่าพ่อแม่สอนพ่อแม่อะไรอะไรต่างๆพูดไม่ดีกับพ่อแม่มันถึงจะเกิดการเป็นบาปขึป้นมาผลจะเป็นยังไงมันก็จะกลับมาหาเราต่อไปต่อไปลูกลูกหลานเราถ้ามีลูกหลานมันก็จะมาดาา่าเป็นการใช้กองกับกองเวยนใช้เนี่กลับไป ถ้าไม่อยากจะมีนี้สินก็อย่าไปสร้างนี่สิอย่าไปทำบาปแล้วก็จะไม่มีบาปมาราวีเราต่อไปจากคุณลุงที่วาครับกราบธรรมกา ร, การพระอาจารย์ค่ะถ้าก่อนทำบุญขณะทำบุญและได้ทำบุญเรียบร้อยเราจะนึกอนุมโมทนาให้กับผู้ที่เราต้องการตลอดการทำบุญจำเป็นที่ต้องกรวดน้ำอีกหรือไม่กราบสาธุค่ะไม่ต้องกรวดน้ำก็ได้อยู่ที่ในใจเราบุอยู่ที่ในใจเรา เราสามารถหลุดทิ้บุดนี้ให้กับผู้อื่นได้ ท, ทันทีหลังจากที่เราทำแล้วคำ ถ, ถามจากคุณเจมส์ทอฟครับกราบเป็นถามพระอาจารย์เคยฟังหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดว่าให้มีคำภาวนาพุโทโธตลอดเวลาไปกับจิตถ้าจะบรรลุธรรมต้องทำถึงขนาดนั้นไหมครับก็ต้องทำแต่ก็ไม่ ไ, มได้ไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการเจนินพุโทโธตลอดเวลาเพียงอย่างเดียว พอได้พุทธโทตลอดเวลานั่งสมาธิแได้ฌานแล้ ว, ลวพอออกจากฌานต้องมาพิจารณาไตรลักษณ์ถึงจะ บ, บรรลุทำได้คำถามจากคุณสุภาพรครับคุณแม่แก่มากแล้ว87ปีให้ท่านพูดพุทธโทท่านก็เหนื่อยให้พูดในใจท่านก็ไม่เข้าใจทำงไงดีคะให้ท่านอยู่เฉยๆก็แล้วกันอยากคิดอะไรถ้าเหนื่อยก็แสดงว่า ไม่ลองคิดได้ก็บอกแม่อย่าคิดอะไรก็แล้วกันให้ใจว่างอย่าไปคิดอะไรถ้ามนุษย์ถ้ามันคิดก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปไปในใจคำถามจากคุณสีสีลิพาครับกาเปียนถามพระอาจารย์เจ้าขาเคยฝึกสติหลวงพ่อเทียนในรูปแบบสิบสี่จังหวะระหว่างที่จะล้มตัวลงนอนรู้ตัวได้ว่ากําลังเอ็นตัวลงรู้สึกตัวได้เจ้าค่ะหรือการที่เราจะลุกจากที่นอนก็รู้ว่าจะลุกนะ ขาขวาก้าวออกให้ทําต่อเนื่องในรูปแบบไปเรื่อยไปใช่ไหมคะคนจะทําไม่ใช่เฉพาะแต่การที่เราจะนอนเริ่มตื่นนอนนั้นระยะเวลาอื่นที่เรามีการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เราต้องทําตลอดเวลาพอลุกขึ้นมาจากเตียงพอเริ่มเดินก็เรา ม, มีสติอยู่การเดินพอเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันก็เรา ม, มีสติอยู่การล้างหน้าแปรงฟันต้องทําต่อเนื่องไปไม่ใช่ทําแต่เฉพาะ ก่อนนอนแล้วหลังจากตื่นนอนเท่านั้นเองอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการฝึกสั้นๆการอยฝึกที่ให้ได้ผลมากๆจริงๆต้องฝึกทั้งวันในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายคําถามจากคุณสวัสดีนะจ๊ะครับกาบนางกัจการครับเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตที่ละเอียดกับจิตที่หยาบต่างกันยังไงครับ ก, ก็จิตที่มีกิเลสอยากกับจิตที่มีที่เลนะเอียดนั่นเองนั่นก็กจิตกิเลสอยาก ก, ก, ก า, า, ก, ากิเลสที่เกี่ยวข้องกับทางร่างกายนจิตกิเลสที่จิตที่ละเอียดก็เกี่ยวขอ้องกับเรื่องของจิตโดยตรงนั่นมันก็มีความอยากละเอียดต่างกัน คำถามจากคุณขวัญทิพย์ครับกราบถามพระอาจารย์ขา่าระหว่างการนั่งสมาธิคําว่าการคิดกับคําว่าพิจารณาจะแยกและฝึกได้อย่างไรคะเพื่อให้จิตว่างคื อ, อความคิดนี้ก็หมายถึงคิดอะไรก็ได้ร้อยแปดธการนี่เรียกว่าความคิดแต่พิจารณานี่เป็นการคิดเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องที่เราต้องการคิดพิจารณาเรื่องร่างกายแล้วก็พิจารณาเฉพาะเรื่องร่างกายร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เรียกว่าพิจารณา ทางกายมีอาการ32ผมกนเล็บฟันนังต่างๆอย er นะ่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาหลังจากความคิดที่คิดได้108ผลประการคิดเรื่องโอลิมปิกแล้วก็ไปคิดเรื่องการเมืองคิดเรื่องการเมืองแล้วก็คิดการเงิน อ, อันนี้คิดได้สเสปกสเปาไปไม่มีอะไรมาควบคุมไม่มีกรอะ บ, บ, บังคับแต่ถ้ามีกรอะ บ, บ, บังคับทํางธรรมะเราเรียกว่าพ er นะิจารณาเอาเป็นเรื่องๆไป <c oughs> คำ ถ, ถามจ้าคุณยศสวัสดิ์ครับพระอาจารย์แนะนําด้วยครับวิธีทําจิตก่อนหมดลมเออก็ต้องทําต่างๆ ต, ตอนนี้เลยตอนนี้ยังไม่หมดล <c oughs> มกเริ่ทํา <c oughs> <c oughs> พราเวลาหมดลมแล้วทําไม่ได้แล้วจะไปทําตอนที่ใกล้จะหมดลมก็จะทําไม่ได้เน้นนังทําในขณาดนี้ฝึกทําจิตให้สงบด้วยการใช้คําบริกรรมกับกับจิตอยู่ตลอดเวลาพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่าน แล้ิก็จะสงบเวลาจะหมดลมก็จะไปอย่างสงบไปอย่างสบายคําถามสักคุณหนึ่งครับกลาวนาัสการพระอาจารย์ค่ะการเล่นหวยนี่ผิดศีลไหมคะก็มันไม่มั น, ม, นมันอยู่ในเรื่องของอบายมุกมากกว่ามไม่ผิดศีลแต่มันก็อา จ, จะทําให้ไปทําผิดศีลต่อไปได้ถ้าเล่นหวยก็กาดทุนไม่มีเงินจะเล่นต่อแต่อยากจะเล่นก็า จ, จะไป โกหกหลอกลวงไปยืมเงินของคนอื่นเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนเขาก็เป็นการหลอกลวงได้แต่ถ้าเราไม่เล่นหวยเราก็จะไม่ีเราก็จะมีเงินพอใช้ไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินของนอึ่งใช่คำ ถ, ถามจากคุณ น, นุชครับเวลาฟังพระท่านเทศสวดมนต์แล้วเราสวดตามท่านแต่เป็นการสวดในใจบาปไหมคะไม่บาปหรอกสวดง่าย จากผู้มีบุญได้กระทำแล้วนะครับกราพอาจารย์ครับผมเคยนั่งสมาธิเห็นจุดสีน้ำเงินพอนั่งไปสักพักหนึ่งกลายเป็นลูกแก้วใสๆและก็แวบเป็นแสงคล้ายๆดวงอาทิตย์ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเบามากเลยครับเหมือนไม่มีตัวตนมันคืออะไรครับกราพสาทุกครับก็มันมีมันมีมันเป็นเพราะเราไม่มีสตินั่นเองพาเราไม่มีสติจิตมันก็ปรุงแต่งสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาหลอกครบ ถาเราตั้งการนั่งสมาธิแบบถูกวิธีเพื่อให้จิตสงบให้จิตว่างเป็นเอกขาตารมเป็นอุเบกขาเราก็ต้องมีสติคอยกำกับให้จิตอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปแล้วอาการกต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดถ้าเกิดเราก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไป คำถามจากคุณพมพรครับกลาบเป็นถามเรื่องการฟังธรรมะเจ้าค่ะคนบางคนฟังไม่ได้เลยง่วงบ้างอะไรหลายสาเหตุเพราะไม่มีบุญเก่าจริงหรือเปล่าเจ้าคะเคยดินมาว่าแบบนั้นแล้วจะช่วยเขาให้ฟังธรรมได้อย่างไรเจ้าคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องก็ได้อยู่ที่ผู้แสดงธรรมด้วยว่าแสดงภาษาเดียวกับคนฟังหรือเปล่าว่าบางทีพระท่านก็เอาภาษาบาลีมาเช่น ได้ยินคำบาลีแล้วไม่มีการอธิบายให้ให้เข้าใจความหมายคนฟังก็เบื่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้อาจจะเป็นสเหตุจากการที่คนคนเทศนี้เทศคนละภาษากันก็จะทำให้คนฟังแล้วไม่อยากจะฟังก็ได้เกิดอาการง่วงขึ้นมาหรือหรือเทศแบบแบบไม่ไม่กระตุ้นใจ สมัยนี่พระฟังรูปท่านเป็นนักเทศนีท่านมีลูกล่อลูกเต้นลูกชนท่านก็มีอะไรอทําให้เกิดความสนใจขึ้นมาอย่างนี้คนฟังก็จะไม่เบื่อฟังแล้วก็ก็สนใจฟังได้ฉนั้นมันอยู่ที่ผู้สแสดงด้วยว่ามีมีความสามารถที่จะสแสดงทําให้คนฟังชอบฟังขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าท่านทำแล้วอย่างพระ ที่ท่านแสดงทําบางองค์ก็แสดงสนุกตลกตลกอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ถ้ามีธรรมะสอนแจ้งเดียวก็ได้เพราะบางทีท่านอาจจะเห็นว่าคนที่ท่านสอนนี่อาจจะเป็นพวกที่ยังไม่สามารถที่จะให้เนื้ อ, เ น, อเนื้อได้ก็เลยต้องมีมีอะไรเครือบบ้างมีน้ําตาลอะไรเครือบไว้บ้างถ้ามีแต่ยาขมอย่างเดียวคนฟังก็อาจจะรับไม่ได้ ถ, ถ้ามีธรรมลุ่มลนวนนี่ อาจจะไม่ชอบเลยต้องมีน้ําตาลเคลือบยาไว้หน่อยก่อนพอได้นด้รับนยาก็จะสนใจรับนวดน้ําตาลก็จะสนใจปังแล้วก็อาจจะค่อยๆสอดแทรกคธรรมะขอ้ขอนนั้นข้อนี้เข้าไปมันอยู่ที่ระดับของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่บางทีก็เกืนยาได้เลยก็ไม่ต้องใช้ยาที่มีเคลือบน้ําตาลก็ได้ก็ต้องอยู่ที่ผู้ฟังด้วยว่า สถานภาพาของผู้ฟังนี้เป็นจิต ร, ระดับไหนด้วยเป็นจิตเด็กหรือเป็นจิตผู้ใหญ่ครับคุณ g ีท็อ1 1ครับช่วงโควิดจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับพระาอาจารย์ก็เหมือนกับที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกตินั่นแหละก็ดูแลร่างกายไปตามปกติของเราทำตามที่หมอเขาสั่งไว้ป้องกันร่างกายไม่ให้ไปติดเชื้อ แล้วก็ทําใจให้สนุกเหมือนเป็นเป็นปกติถ้าเราฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วก็สอนใจอยู่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายนี้จะมีโรคนี้หรือไม่มีโรคนี้มันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลราาักษาทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้อยู่เป็นปกติไปดูแลร่างกายตามคําสั่งแพทย์ดูแลจิตใจตามคําสั่งของพระพุทธเจ้า จิตใจของเราก็เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขคำถามจ้าคุณสุพัฒนครับกาพระอาจารย์เจ้าขาอยากถามว่าเวลาที่สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรและตรัพประศัต์ทั้งปวงจะรู้สึกว่าบางครั้งมีอาการขนลุกเป็นเพราะเหตุอะไรเจ้าคะก็เป็นความรู้สึกของเรานั่นแหละก็ไม่มีอะไรเป็นความรู้สึกของเราเองคนเราบางทีทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือได้ยินได้ เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เกิดคนลุกขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นประิปฏิริยาของจิตใจของตนเองนั่นเองครับครับถามเจ้าคุณปาริชาติครับเวลานั่งสมาธิคอยจะอึดอัดหายใจไม่ออกควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็อาจจะแสะดงดว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอก็ใช้การสวดวนไปคพังๆก่อนก็ได้นั่งสวดวนไปนั่งในท่าสมาธินี่แหละ แทนที่จะดูลมหายใจก็สวดมนต์ในทีปิโสไปก่อนและร้ายจบแล้วหลังจากนั้นค่อยมาลองดูลมหายใจต่อว่าทําได้หรือไม่ถ้ายังทําไม่ได้ก็สวดต่อไปก่อนคําถามจากคุณเจษดากรครับการรัศการพระอาจารย์ครับการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์ถือว่าเรามีส่วนสนับสนุนให้ฆ่าสัตว์หรือไม่ครับถ้าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วนี้เราเราไม่มีส่วนเพราะว่าเขาไปฆ่ามาก่อนที่เราจะมากินเนื้อสัตว์ งั้นตามตักกะแล้วถ้าเราจะมีส่วนเราต้องสั่งเขาก่อนะว่าพรุ่งนี้ต้องการไก่หนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปฆ่ามาให้เราแต่อยู่ดีๆเขาก็ไปฆ่ามาแล้วหวังว่าจะมีคนมาซื้ออย่างนี้เราไม่ได้สนับสนุนเขาแต่แต่เป็นความอยากของเขาที่จะหาเงินด้วยวิธีนี้เขาก็เลยไปฆ่าสัตว์มาเพื่อมาขายอ ย, าอย่างนี้ไม่ถือว่าเราเป็นผู้สนับสนุน เพราะเราไม่มีส่วนที่ไปสั่งไปบอกเขาเขาทำของเขาเองด้วยเจตนารมของเขาเองถ้าเขาไม่อยากจะฆ่าสัตว์แเราก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินได้จากคุณโต้ครับกาพนักพิกา ร, กรพระอาจารย์ครับผมมีความสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมครับและมีการป้องกันอย่างไรหรือครับเพราะว่าคนที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมน้อยลงมันก็เสื่อมง ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆก็จะไม่เชื่อคำถามจากคุณปาริชาติครับความเชื่อที่ว่าลูกชายได้บวชพ่อแม่ตายไปจะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงเท็จแค่ไหนคะคือได้เกาะตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะว่าเวลาพระบวชเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาเยี่ยมพระก็ต้องมาทำบุญท ำ, ทำทาทานมาบางทีก็มาถ้าอยากจะอยู่ใกล้พระอาจจะมาค้างรที่วัดก็มา ถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยเป็นวิธีการที่จะขึ้นสวรรค์นี่แต่ถ้าพระไม่ลูกชายไม่ได้บวชนี่ก็ก็เลยไม่ได้เข้าวัดอันนี้แต่พอลูกชายเข้ามาบวชแล้วความคิดถึงความห่วงใ ย, ยมันก็บังคับให้มาวัดเพอมาวัดอย่างน้อยถ้ามาสั้นๆก็มาทําบุญอย่างน้อยก็ต้องมีเข้ามัดของอะไรมาทําุแล้วถ้าอยากอ ย, กอยู่ใกล้ๆนานๆก็อาจจะมาอยู่จําศีลเป็นเพื่อนก็ได้ นนเป็นวิธีการที่จะก่อชายข้าวเหนือขึ้นสวรรค์ น, นั่นเองมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับหลวงพ่อเจ้าค้าหนูปรารถนาการไม่เกิดอีกเพียงเจริญสติหมั่นรักษาสีและกรรมบุตรศิ์มันดูแลและพิจารณากายใจแต่ในชีวิตประจำวันมีสิ่งเข้ามากระทบมากเพราะบทบาทหน้าที่มีมากทําให้ยังคงเหลือซึ่งความหงุดหงิดใจอยู่ขอหลวงพ่อสอนด้วยเจ้าค่ะถ้าไม่อยากจะมาเกิดจริงๆต้อ ง, ง, งไปเป็นนักบวชอยากจะ มีโอกาสที่จะไม่กลับมาเกิดถ้ายังเป็นาราวาสพวกกองเงินอยู่ถ้ายังเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆกับคนอยู่นี้ยากแต่ก็ไม่สุนวิสัยาราวาสบางคนก็มีพลังจิตสูงถึงแม้เขจะอยู่เกี่ยวข้องกับคนแต่เขาไม่ยึดไม่ติดเขาก็า จ, จะบรรลุธรรมได้หลุดพ้นได้แต่น้อยมากคนที่จะเป็นอย่างนี้ คำถามจากคุณชุติมาครับการน้ำรสการเมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิหรือฝันไปที่ที่หนึ่งที่ไม่เคยไปมาก่อนและฝันว่าไปที่นี่ซ้ําๆจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งฝันว่าเลยเวลากลับแล้วตื่นมาพบว่าหายใจยากกลัวกลับมาไม่ได้จึงเลิกนั่งสมาธิแก้ไขอย่างไรครับคือเป็นการนั่งสมาธิไม่ถูกวิธีนั่นเองและนั่งสมาธิถูกวิธีนี้นจะไม่มีเรื่องของความฝันอะไรต่างๆเหลนี้เข้ามา จิตจะว่างจะเย็นจะสงบนี่นั่งแบบไม่มีสติอาจจะมีสติในเบื่องต้นดูลมหรือพุโทโธแล้วปับหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้จิตเกิดความฝันต่างๆขึ้นมาหลอกเ็งั้นเวลานั่งจริงๆให้ผลได้จริงๆต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจิตจะรวมท่านถึงจะหยุดการดูลมหรือหยุดพุดโทโธได้ จากคุณขวัญฟ้าครับกาบเรียนถามค่าอาจารย์ค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าใกล้จะตายแล้วเราควรจะระลึกนึกถึงอะไรคะสาทุก ค, ค่ะก็แล้วแต่เราจะเลิกอะไรได้เลึกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราได้หรือไม่ถ้าได้ก็ดีปล่อยวาง ม, มันไม่ใช่ตัวเราของเราหรือแล้กวการ่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันต้องไม่วันตายก็ได้ก็รู้ว่าอ๋อนี่ถึงเวลาที่มันจะจบแล้วก็เท่านั้นเอง ถ้าเราละเรื่องอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการตายของร่างกายคําถามเจ้คุณเป็นสีครับกล่าวตา่อพิสการพระอาจารย์ค่ะเรื่องการพิจารณาขันห้าพระอาจารย์บอกว่าอยากพิจารณาในสมาธิให้พิจารณาหลังออกจากสมาธิแล้วหมายถึงลืมตาแล้วยังนั่งพิจารณาต่อหรือถอนออกมาจากสความนิ่งสงบสบายบริกรรมต่อไปแล้วพิจารณาคะได้ทั้งนั้นนะแต่เวล า, าจิตนิ่งสงบนี้พิจารณาไม่ได้เพราะจิตนันไม่คิดกันเลย อย่าไปดึงมันมาคิดให้มันสงบไปจนกว่ามันเริ่มเริ่มคิดขึ้นมาออกจากสมาธิพอมันเริ่มคิดก็สแสดงว่ามันเริ่มออกจากสมาธิแล้วก็สามารถเอาความคิดนี้มาคิดทางปัญญาได้เลยโดยว่าโดยถึงแม้จะอยู่ในท่านั่งต่อไปก็ได้ลุกขึ้นมาเดิก็ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้เรื่องท่าของร่างกายไม่ไม่ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าจิตเริ่มคิดผรุงแต่งด้วยอย่ถ้ายังไม่คิดปรุงแต่งอย่าเพิ่งเอามา เอามาพิจารณาเราให้มันคิดปุ่นแต่ของมันเองขึ้นมาก่อนแล้วถึงค่อยบักคับให้มันพิจารณาทางปัญญาต่อไปคำถามจากคุณแพทครับก่าวเปยนถามค่ะลูกไม่ลูกไม่ใส่ใจพ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่ควรทำใจอย่างไรจะไม่ทุกข์คะโคเคว่าให้ลูกทาราพีมาก็จะเป็นจากคุณ อ่างเปาครับกลาวในมหกรรพระอาจารย์ครับขอโอกาสเรียนถามหน่อยครับการนั่งสมาธินี่สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมครับเคยนั่งแบบมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายฟุงซ่านมากเลยครับแต่ลองเปลี่ยนมานั่งบนเก้าอี้ดูรู้สึกสบายกายสบายใจและนั่งไดนานมากเลยครับก็ได้วิธีไหนที่เรานั่งแล้วมันทําให้ใจเราสนก็ใช้ได้เหมือนกันแลคุณพรเพนครับอยากรวยให้ถือศีล เห็นพระสงฆ์สีเลดโพคะจริงไหมครับคือการมีศีนนี่มันก็จะป้องการราาาัารัพย์สมบัติที่เราหามาได้เพราะัพย์สมบัติที่เราอามาได้เป็นทัพย์สมบัติที่บริสุทนั่นเองไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศริธรรมแต่ถ้าเราไปหารัพย์มาด้วยวิธีม่ชอบคอร์รัปชันอาจจะถูกปปชมาตามจับไปมายึดทรัพย์เืยก็ได้งั้นการหาซื้อโดยการ ด้วยดวยการมีศีลนี่จะรักษาทรัพย์ของเราไว้ได้ถ้าทําด้วยการผิดศีลนี่ mm hmm. เขาอาจจะตามมาจับเราแล้วยึดทรัพย์ขึ้นไปก็ได้คําถามสกุล RMB ค, ครับกลับเรียนถามพระ อ, อาจารย์เจ้าคะ่ะการตัดภพตัดชาติในชาตินี้หากเกิดมาเป็นผู้หญิงจะกระทําได้อย่างไรเจ้าคะการบวชชีปล่อยวางละทุกอย่างและเพียงปฏิบัติจะทําให้การตัดภพตัดชาติสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่เจ้าคะได้การ การตัดภพตัดชาตินี้ไม่ได้อยู่ที่นั่งกายอยู่ที่จิตจิตเป็นผู้ก่อผู้ก่อชาติก่อด้วยความอยากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราล้ความโลภความอยากความโกรธความหลงได้แล้วก็ตัดภกตัดชาติได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายคำถามจากคุณบุโ h มครับ กราบนำ้ำสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามที่ว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดคืออย่างไรเจ้าคะก็งามตลอดเวลานั่นเองคือไม่มีการเปลี่ยนแปลไม่ใช่งามต้นแล้วก็มามาม า, มาไม่งามตอนกลางมาไ ม, ม่งามตอนปลายซึ่งมักจะเป็นอย่างนั้นกับคนใช่ไหมคนเวลาโลกใหม่ๆนี่เขางามใช่ไหมแต่พออยู่ด้วยกันไป่สักครั้งหนึ่งเบื้องกลางเริ่มเริ่มไม่งามแล้วตอปลายนี่กลายเป็นของน่าเปลี่ยน เลยต้องแยกทางกันก็ได้จ้าคุณทนายนักรบครับกล่าวต่อวิสกรารพระอาจารย์ปฏิบัติภาวนาเสร็จแล้วจําเป็นต้องแผ่บุญทุกครั้งหมครับถ้าไม่แผ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติเราจะเจ้ากรรมในเวรจะได้ไหมครับและญาติเราที่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ลูกภริยาจะได้รับไหมครับเท่าที่ทราบมานะความจริงการปฏิบัติธรรมนี่แบ่งบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ ถ้ได้ก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่ให้คนอื่อนเข้ามาปฏิบัติแทนเรากัการปฏิบัติทำนี้เป็นของใครของมันจะแบ่งได้ก็เฉพาะบุญที่เราได้จากการทําบุญทําทานนะ้รแล้วก็เป็นส่วนน้อยมากน้อยกว่าที่เราทําเองเช่นว่าถ้าเราเราทําบุญแล้วเราจะแบ่งบุญไปให้คนอนื่นได้ได้เพียงร้อยลร้อยนะหนึ่งเท่านั้นทำร้อยบาทนี่แบ่งให้เขาได้เพียงบาทเดียว แต่ถ้าเราทําเองนี่เราได้ทั้งร้อยเวลาตายไปแล้วเอาบุญทั้งร้อยไปดีกว่างั้นอย่าไปรอให้คนอื่นเข้ามาส่งบุญไปให้เราเพราะมันจะได้น้อยกว่าบุญที่เราทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่ส่วนเรื่องบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เหล่านี้เป็นบุญที่เฉพาะบุคคลไม่สามารถแบ่งให้กันได้ถ้าแบ่งได้พระพุทธเจ้าแบ่งพรติท า, านให้พวกเราไปนานแล้ว ก็มาดูถึงพระ น, นิพพานก็แบ่งไเลยแจกไปเลยให้คนนั้นได้นิพพานคนนี้ได้นิพพานไม่ได้หรอกถ้าได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาเสียเวลาปากเปลียนปากฉีกแสดงธรรมตั้งสี่สิห้าปีเรื่องของการปฏิบัตินี้เป็นของใครของมันอัตตาฮิอัตโนนาเถอครับคำถามจากคุณปราณีครับก า, การรัฐศัสการพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเรานั่งสมาธิโดยไม่ได้ท่องคําปริกรรมแต่ตามลมหายใจที่เข้าออกจะผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องวลนกันก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พูดโธอย่างเดียวก็ได้จากคุณพิณิดาครับกล่าวน้วยมัศการเจ้าขาตอนนั่งสมาธิไม่ค่อยเห็นอะไรจะเห็นตอนจะล้มตัวนอนเกิดจากอะไรคะเช่นเห็นภาพคนที่รู้จักและคนที่ตายไปแล้วเพรเวลานั่งสมาธิทำรีสติกคอยควบคุมใจมันก็เลยไม่ประเด็นอันตราให้เราเห็น แตช่วงที่เราจะล้มตัวลงนอนนั้นตอนนั้นสติเราจะอ่อนนะพออ่อนสติภาพจิตมันก็สามารถที่จะปลิตอะไรต่างๆมาให้เราเห็นได้คําถามจ้าคุณสมบัติครับกราบพรัพุการหลวงพ่อขอถามเคยทําสมาธิจิตมันคอยออกไปก็เลยใช้วิธีกั้นลมหายใจจิตเข้าผวังมีความสุขในผวังแต่มีคนเรียกให้ออกมาถ้าไม่ออกแกตายนะถ้าไม่ออกตายจริงไหมครับไม่จริงเหรอ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลงัวเพอไม่มีใครอยู่ในสมาธิได้นานยะทั้งทาให้ร่างกายตายได้ถ้าอยู่เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยอาจจะตายได้เพราะไม่ได้กินข้าวแต่ไม่มีทางหรอกเพราะเดี๋ยวร่างกายมันก็จะมีอาการปวดขึ้นมาปวดฉี่ปวดอะไรขึ้นมามันก็จะทํำไปกระเทือนความสงบกระตุ้นจิตให้ออกจากภวมมังมื่อย บนกิจการครับสวดมนต์บทแปลกับไม่มีบทแปลแบบไหนดีกว่ากันคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความหมายต้องการปัญญาความรู้ก็ต้องสวดบทแปลถ้าเราเต้องการสติไม่สนใจกับความหมายที่เราสวดเราก็ไม่ต้องสวดบทแปลเพราะว่าการสวด น, นี้เป็นการเจริญสติถ้าเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดก็เป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วย ถ้าเราสวดบทมงคลสามสิบแปดเนี่ยแล้วเร า, นนเ า, เราแปลไปด้วยเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าสอนให้เราทําอะไรที่เป็นมงคลเสวนาจบารานังบัณฑิตานังจ่าเสวนาก็ปแปลว่าการให้คบคนทานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้สวดไปสวดไปด้วยแล้วสวดคำแปลไปด้วยก็จะได้ความรู้ไปด้วยแตถ้าสวดอย่างเดียวเสวนาจารานัง มันิตา น, นันจเาเสวนาะเราก็จะไม่เข้าใจความหมายแต่เราจะได้สติเพราะจิตเราจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราจะอยู่กับการสวมดมนต์คําถามจากคุณภูนิสาครับกลาวเป็นถามพระอาจารย์ค่ะชอบสวดชิ น, นะบัญชรสวดจนขึ้นใจฉบับเต็มบางคนบอกไม่ดีเหมือนสวดไล่ผีปู่ย่าตายายเลยสับสนว่าจะสวดดีหรือไม่ดีคะไม่จริงหรอกการสวมดมนต์นี้ไม่ได้มี ไม่มีเป้าหมายทางใดนอกจากการฝึกจิตให้จิตมีสติให้จิตว่างจากความคิดปุ่นแต่งต่างๆคุณก้าเคียงดินครับกาตมรสการข่ะฟังธรรมรจนหลับไปทุกคืนไม่ฟังนอนหลับยากมากจะ แ, แก้ไขยอย่างไรดีคะก็ไม่เป็นปัญหาอนะไรเนี่ท่านจะใช้การฟังธรรมเป็นยานอนหลับก็ดีกว่าไม่มีไม่มีโทษทางร่างกายเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์จากการฟังธรรมทำจิตใจ เพาจิตใจนี้จะหลับไปก่อนจะไม่ได้รับความรู้จกาาักการทำารรมกันนั้นเองคำถามจากคุณเจอ m สมาร์ทครับถ้าเราทำบุญให้วัดแต่ศรัทธาลดลงจากข่าวพระที่ทำตัวไม่ดีต่างๆเลยทำให้ไม่อยากเข้าวัดจะมีวิธีคิดในแง่ดีอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องคิดว่าคนเรามีหลากหลายมีทั้งดีไม่ดีปนกันอยู่แล้ว เ, เ, เราก็เลือกข่าวเรือกข่าคนทำบุญกับคนดีไป ถ้าวันนี้ไม่มีพระดีเหลืออยู่เลยก็ไปทําบุญกับวัดอื่นต่อได้ถ้าไม่มีพระเหลืออยู่ในประเทศไทยที่เป็นพระดีเลยก็ไม่ต้องทําบุญกับศาสนาก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับคนยากคนจนกน็ได้แต่บุญนี้สําคัญที่เราควรจะทําเพราะเป็นทรัพย์ภายในเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปเกิดในภพชาติที่ดีต่อ คำถามจากคุณสุภาชัยครับคนธรรมดาสามารถบรรลุซึ่งพันธิพัณฑได้ไหมครับต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระดับใดถึงจะหลุดพ้นวัตตะครับก็ต้องปฏิบัติในระดับที่จะทําให้ไปถึงนิพพานได้นีนน่ไม่ว่าจะเป็นพระนรืเป็นคนธรรมดาก็ไปได้อยู่ที่การปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโ น, ยายโนสามีจิปฏิปันโน อันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานนะว่าเป็นคราวาสหรือเป็นเป็นทานักบวชอยู่ที่การปฏิบัติสี่ประการนี้คําถามจ้าคุณอาภาศีครับเปิด youtube ฟังทำประเทศสอนให้ทำขณะทํางานขณะทํากิจวัตรประจาําวันทานข้าวจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร เพราะว่าในขณะที่เราทําอะไรแล้วฟังไปด้วยใจเราจะแบ่งไปสองส่วนแบ่งไปแบ่งมาวิ่งไปวิ่งมาก็จะไม่ได้ฟังแบบเต็มร้อยนั่นเองก็จะได้ห้าสิบห้าสิบถ้าอยากจะได้ประโยชน์อย่างเต็มร้อยก็ต้องนั่งเฉยๆฟังอย่างเดียวคําถามจากคุณดวงเงินครับกราบอาจารย์เจ้าขาปฏิบัติสมาธินั่งจนเกิดเวทนาหนักมากอดทนไม่ขยับจนเวทนาหลุด ตัวเบาสบายต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะก็ฝึกทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บของเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายสามารถรับกับอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นไปในร่างกายได้อย่างสบายคำถามจากคุณดาครับกราบข อ, อการพระอาจารย์เวลาดูลมหายใจจะเผลอคิดเผลอปรุงบ่อยแต่เวลาคิด จิตคิดดีหรือชั่วสติจะทานอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรเพิ่มเติมให้มีสติมากขึ้นครับสาทุกค่ะก็มันจะละสติเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเมื่อลืมตาขึ้นมาถ้าพุโทโธพุโทโธได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆก็พุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปตลอดเวลาอันนี้จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดจะทําให้เรามีการ ทำให้ควบคุมความคิดได้ดีแล้วก็ละได้หยุดได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีคํถาถามจากคุณมัตสุนากะครับในขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องฝึกสติสมาธิอยู่ในรูปแบบทุกวันไหมครับหลวงพ่อก็ต้องฝึกสตนะิสตินี้มันไม่มีรูปแบบนะสตินี้ฝึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทได้การท่องพุโทโธพุโทโธนี้สามารถทําได้ นีนแต่อยู่ในห้องน้ําก็ท่องพุทโธได้อันนี้พูดในเชิงปฏิบัตินะไม่ได้พูดในเชิงศัพท์ตนนะอยู่ถ้าเราต้องการที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลาเข้าห้องน้ําแล้วเขาพุทโธตอบไปมันสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แต่อย่าส่งเสียงออกมาเั้านั้นเดี๋ยวคนเขาจะว่าเขาจะด่าว่าเราไม่เคารพนะการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติบูชายอยู่แล้วเทอาเป็นการเคารพอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะควรจะทําความเคารพในตามหลักธรรมจริงๆแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคําถามจากคุณดาวรุ่งครับการธรรมการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะอยากทราบว่าตอนที่แผ่กุศลผลบุญให้กับผู้ที่เราต้องให้ได้แล้วรับแล้วรู้สึกใจเบาสบายอยากทราบว่าความรู้สึกส่วนนี้คืออะไรเจ้าค่ะก็เหมือนกับเวลาเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น เวลาเราช่วยเหลือใครเราก็รู้สึกสบายใจสุขใจอันนี้ก็แบบเดียวกันเราก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่นุ่งรับไปแล้วเราก็ทําให้เราไปครัสบสึกใจสบายใจขึ้นาจากคุณสิ่งที่ที่หลักแท้นะครับนักสกการครับพระอาจารย์ขอสอบถามครับถ้าเราปรงจากเรื่องโรคภัยและร่างกายที่แย่ๆของเราว่าเราทําใจไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะปรงและทําใจเราและจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ใส่หรือมือนเฉย ไม่ครับไม่หรอกก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปล่อยวางสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยวางเพราะสิ่งนี้มันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้าเราปล่อยวางได้แต่ถ้ามันยังอยู่เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลมันจะก็ดูแลมันไปไม่ไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ขาดการดูแลเวลามันอยู่แล้วเราก็ดูแลมันไปแต่เวลามันจะไปเราก็พร้อมที่จะให้มันไป คำถามจ้าคุณแพทครับเอกค้ตาคืออะไรคะคือการรวมเป็นหนึ่งของจิตนะอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวคือสับแต่ว่ารู้มีข้าตาหรือคำถามจ้าคุณลินครับขออนุญาตสอบถามค่ะเวลาที่จิตมีสมาธิซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาที่นั่งสมาธิก็ได้หากที่ถึงความเย็นร่างกายจะรู้สึกเย็นถ้าเพ่งที่ความเย็นจะเย็นมากขึ้นไปอีกไม่ทราบเกิดจากอะไรคะก็เป็นงานการใช้สตินี่ เป็นการใช้สติระงับความคิดปรุงแต่ต่างๆจิตก็เย็นขึ้นมาได้คำถามจากคุณวิทวัตครับกาศน้ัชการครับพระอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูที่กายขอความเกลณ่อนนาทีบายให้กับผมเข้าใจด้วยครับสาธุครับคือสติของเรานี้มีกำลังมากน้อยถ้าถ้ามีกำลังน้อยนี่จะดูจิตไม่ทันเพราะจิตมันเร็วมากแล้วมันละเอียดกว่าร่างกาย ดังเมื่อเรายังดูจิตไม่ได้แสดงว่าสติเรามีมันช้ากว่าจิตมากก็ดูที่ร่างกายไปก่อนใช้ร่างกายในพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราไปก่อนจนกว่าเราจะมีสติที่เร็วทันดูจิตได้แล้วค่อยไปพิจารณาจิตอีกทีว่าอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจากคุณตํานานความเชื่อนะรู้ครับ หนูนั่งสมาธิทุกครั้งจะวางอุเบกขาแห่งจิตเพราะเข้าใจว่ามันคืออนิจจังหนูทําถูกไหมคะคือคําเข้าใจว่ า, วาอุเบกขาแห่งจิตมันเป็นอนิจจังนี้ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไงการนั่งสมาธินี้เราต้องการที่ให้จิตสงบเร่งเป็นอุเบกขาแต่ใช่อยู่อุเบกขานี่มันก็ไม่เทียมมันก็เป็นได้ชั่วคราว สัปพักมันก็พอจากสมาธิมาโอเบขาที่ได้จากสมาธิก็ค่อยจางหายไปแล้วันไม่ได้ที่ทํานูถูกไม่ทราบว่าหนูทำอย่างไรถึงถึงจะถึงจะได้โอเบขาอันนี้ถ้ามีสเตจดูลมหายใจอย่างนี้ถูกหรือพุโทโธแล้วจิตเข้าเข้าไปโอเบขาได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทําถูกวิธีคำถามจากคุณแจ็คครับ า ก, การรำพละการพระคุณท่านขอบถามนั่งสมาธิแล้วชอบนึกถึงเรื่องอื่นเข้าแทรกในระหว่างภาวนาพุทโธแก้ไขอย่างไรดีครับก็กลับมาที่พุทโธอย่าไปสนใจกับความคิดที่แทรกเข้ามาเหมือนกับเราขับรถไปนี่ถ้ามีรถแทรกซ้ายแทรกขวาเข้ามาเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจปล่อยให้มันแทรกไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายไป คำถามเจ้าคุณไอออนอนี้ครับขอโอกาสครับพระอาจารย์การปฏิบัติโดยมีสติรู้เห็นตามความจริงในทุกอิทธิบาตรเพื่อให้เห็นซึ่งไตรลักษณ์อย่างเดียวเท่านี้เพียงพอหรือไม่ครับหรือจําเป็นต้องนั่งสมาธิและกําหนดจิตเพื่อให้เห็นซึ่งไตรลักษณ์คือได้เห็นแล้วปล่อยวางได้ก็ใช้ได้เช่นเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเลยก็ใช้ได้แต่ถ้าเห็นแล้วยังปล่อยวางไม่ได้ ยังยึดยังติดอยู่ยังถือว่าเป็นตัวเรายังอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยู่อันนี้เราก็ต้องฝึกนั่งทาสมาธิให้จิตนิ่งให้มีอุเบกขาก็เราถึงขั้นมาพิจรารณาตายรักอีกทีหนึ่งถึงจะสามารถปล่อยวางได้คําถามจ้าคุณก้าวครับกราบนพัะสการครับหลวงพ่อการเรียนถามครับกับผมเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมือหนักขึ้นมากบางทีก็ตัวโยกหมุนเลยปล่อยไปตามดูตามรู้สักพักพอนึกมีสติอยู่ที่ลมหายใจปลายจมูก เข้าออกก็นิ่งเลยกับผมมาถูกทางไหมถ้าทําจิตให้นิ่งได้ก็ถูกทางแต่เบื้องต้นอาจจะต้องใช้วิธีช่วยให้ให้จิตมีสติมีกําลังมากพอที่จะมาดูลมหายใจได้แล้วทําให้จิตนิ่งได้ต่อไปจากคุณพีรวัตรครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราเป็นคนชอบความสงบอยู่คนเดียวรู้สึกสบายใจไม่ค่อยชอบเสียงสังสรรค์กับใครอย่างนี้ถือว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไหมครับ แม่เราทียว่าเป็นคนที่มีความสงบสูงนั่นเองเพราะความสงบนี่จะทำให้เรานี่มีความสุขในตัวเราไม่ต้องไปหาความสุขจากผู้เราก็เลยไม่ต้องไปมีสังคมกับผู้คำถามจากคุณเท m p พิ thai 2020ครับอยากถามเรื่องการทำบุญทำบุญอย่างไรถึงจะถูกระวันที่หนึ่งค่ะวันนี้ถ้ารู้ถ้ารู้ได้ก็ดีสิ <laughs> มันไม่มีหรอก ทำบุญแล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งทำบุญแล้วมักจะจนนองมากกว่ารวยขึ้นจะถูกถูกรางวัลทางจิตใจจิตใจจะร่ำรวยขึ้นตายไปก็จะได้เป็นเศรษฐีทางโลกโลกจิตวิญญาณแต่ไม่ไปเป็นขอทานขอทานก็คือเปรตนี่เศรษฐีก็คือเทวดาเกิดจากการได้ทาําบุญ คำถามจากคุณปาจารีครับกล่าวนนักการพระอาจารย์กลาวเรียนสอบถามการวางอุเบกขาในการปฏิบัติธรรมให้ผลดีเมื่อมีผลมากระทบทุกขณะจิตควรกระทำเช่นไรคะก็ต้องนั่งสมาธิจนจิตสงบนเน่งเป็นอุเบกขาขึ้นมา่นั้นเองถ้าไม่เช่นนะั้นมันก็จะเป็นอุเบกขาแบบบังคับพยายามห้ามจิตไม่ให้ไปมีอารมณ์แต่มันก็ห้ามได้ไม่มากอย่างมันก็ทนไมไห แต่ถ้าได้อุเบกขาจากการนั่งสมาธิทําจิตให้รวมได้มันจะเป็นเป็นเป็นอุเบกขาที่มีกําลังมากกว่าไม่ต้องบังคับอีกสองคําถามนะครับอาจารย์ครับคำถามจากคุณเก๋ครับกาบเรียนพระอาจารย์เจ้าข่าก่อนเริ่มบทสวดมนต์ทำไมต้องกล่าวนโมตัสสะสามครั้งเด็กอยากทราบความหมายค่ะเอเป็นการเลือกถึงประประมาณการของพวกเรานั่นเองเวลาเลือกถึง ครูบาอาจารย์ที่เลิาที่ประเสริฐที่สุดของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าการสวดนะโมนี่เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสรรเสริญยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระที่ประเสริฐพระอาจารย์ที่ประเสริฐท่านั้นเอเพื่อไม่ให้เราลืมครูไงพวกเราทุกคนเป็นเป็นศิษย์ที่ต้องมีครูเราต้องไม่ลืมครูคือพระพุทธเจ้าคำถามสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับคุ้ขวัญวันนาครับ กราธิมัศการต้องคอยดูแลแม่และธุรกิจของแม่เบื่อชีวิตจําเจมากจากเคยภาวนาได้ดีตอนนี้กลับไม่ก้าวหน้าแต่พยายามเตือนสติว่าต้องทดแทนคุณและกตัญญูต้องอดทนแม่ยังห่วงทุกอย่างส่วนเราห่วงแม่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วแม่ไม่ปล่อยวางทําให้เราเหนื่อยมากและแม่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะจะทําอย่างไรดีให้ไม่เบื่อหน่ายคะก็ท่านคิดว่าการดูแลพ่อแม่นี้ก็เป็นการ เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถึงแม้จะเป็นระดับต่ำกว่าการไปภาวนาก็ายังเป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบุญสให้กับจิตใจเราส่วนเรื่องแม่นี่เราก็ต้องปล่อยวางว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแม่เขาเขาจะทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ เราก็จะไม่เบื่อเราปล่อยวางแม่ไปแล้วว่าถือว่าการทําบุญทําทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติทางการดูแาพ่อแม่เป็นในการเจริญทำที่สําคัญรากฐานของความดีทั้งหลายเนื่อขึ้นอยู่กับความประจันอยู่กับตะเวทีนี้เองหมดแลยวครับมีเต็มเลยครับอาจารย์นอกจากหมดเวลาครับอาจารย์ครับหมดเวลาแลา้วนะครับนะ อ <Okay. S 2> าจารย์ครับผมขอโอกาสสรุปผู้ทังฟังทำด้วยกันวันนี้เยอะเลยครับจาก Facebook ทั้งหมด840ท่านนะครับจาก YouTube 1,083 ท่านและในขับ h o า s e 12ท่านนะครับรวมวันนี้ฟังทมด้วยกัน 1,935 คนนะครับอาจารย์ครับทราถึงทราบถึงมั่ทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการทำทำนี้บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอ ให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุเ่อขอลาคุณหมอและท่านทั้งหลายไปเลยนะล้ว<า>พร้กันใหมอ่อาทิตย์หน้าครับกลับขอบคุณครับอาจารย์ครับ